เพราะตอนนี้ต้องใช้เวลานิดหน่อยเชื่อมโยงกับปัจจัยที่เราที่เรียกว่าสวอตนะฮะเราะทุกคนเริ่มรู้คําว่าสวอตละผมก็มันสั้นดีเพราะ <c oughs> ไม่อยากคิดคํคยดาย่อไปก็เชื่อมโยงมาได้เพราะไหมครับสักกี่นาทีเอาซักเอาซักสก่อนถ้าไม่พอยืดไปให้หกัศเอาตามสบายสบายเอาเลย <c oughs> ไม่ต้อง เ, งเร่งรีบนะครับกรุงสีนะคะก็คือโจทย์ของเราคือตั้งรับค่ะตั้งรับกับระบบ คุณนิยมสามานี่นะคะซึ่งจะมี<อ>พวกสื่อมเมาต่างๆหรือว่าสินค้าจากต่างชาติอะไรเงี้ยคะ่ะที่จะเข้ามารุมร้าพวกเราเนี่ยนะคะแล้วเราจะมีการพึ่งตัวเองได้อย่างไรนะคะทีนี้ก็ในในส่วนตรงนี้ให้ให้พี่นุค่ะอยากก็ชุมชนชาวโศกเป็นชุมชน จุดแข็งของชุมชนบุญยมชาวโศนะคะจุดแข็งต้อ ง, องพึ่งตัวเองก่อนนะคะพึ่งตัวเองได้ก่อนแล้วก็อย่างเช่นเราปลูกข้าวไร่สารพิษได้นะคะแล้วก็ปลูกผักค่ะโ ด, โดยใช้ปุ๋ยที่เราสามารถทาขึ้นมาเองแล้วก็ใช้ในชุมชนได้ค่ะพืดพันธุ์แล้วก็สามารถมีวัฒนธรรมในการกินผักที่เป็นผักพื้นบ้านแล้วก็ให้เป็นยาได้นะคะ พอเราทำตรงนี้ได้แล้วนะคะเราก็มีอธิสิน <c oughs> ตื่นเต้นเลยคะ่ะ <c> ฝ <oughs> ึกใหม่ะคะ่ะ <c oughs> พอเรามีอธิสินแ้มแข็งเพิ่งตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะไปช่วยไปสร้างเคยแห่ให้กับชุมชนข้างนอกค่ะจนสามารถที่สร้างชุมชนเคยแห่ให้เป็นแบบชุมชนของชาวโซค่ะก็มีประมาณนี้ค่ะอ่า <c oughs> ประเด็นคืออะไรครับใครจับได้ยุทธศาสตร์เขาแต่การตั้งรับเครือแแหเพราะว่าคลื่นเปนมาใหญ่อยู่คนเดียวล้มแน่ก็ต้องเกาะมือคนใช่ไหมครับนี่คือวิธีคิดของเขานี่เราฝึกว่าเขาคิดทางยุทธศาสตร์ได้หรือไม่ใช่ว่าเขาคิดได้เขาาใช้วิธีสร้างเครือห์เคลือแหใช่ไหมครับเพราะว่าไม่มีทางสู้ก็เหมือนพอเราเห็นคลื่นเราก็ต้องสร้างเกาะกันพยุงกันเหมือนพอ ผมเดินจะเลิกจะล้มคนก็ช่วยเพราะหินมันลื่นอ่ะหินมันลื่นก็คือทุนสามามันถ้าผมเดินคนเดียวแล้วผมไม่ไม่แข็งแรงก็จะลื่นก็ต้องช่วยกันพยุงไอคาว่าพยุงเป็นเครือแหานี้ก็คือวิธีคิดที่ง่ายๆนเองแต่ว่าเรามาใช้กับการสู้กับคนที่มากกว่าเพราะเราเป็นไม้ซี่จะเป็นงันไม้สูงไม่มีทางก็ต้องมัดไม้ใช่ไหมครับก็มัดขนเข้ามาเป็นเครือแห์อันนี้ก็เป็นวิธีคิดทางยุทธศาสตร์เพราะว่าเมื่อเราเมื่อเราต้องตั้งรับก็คือเราต้องตั้งฐานที่มัน่น ที่มันเรามีแค่อสโศกแค่นี้ไม่พอหรอกใช่ไหมครับเพราะภูเขาเราแก่หรือภูเขาเราการเลยที่ทุนจะมาจริงไหมครับเพราะงั้นก็ต้องหาพวกเยอะๆขึ้นนั้นอสโศกก็คือบอกแค่นี้ไม่พอหรอกใช่ไหมครับเพราะว่าจ้ยิ่งเราอยากจะช่วยข้างนอกเนี่ยคืนมาตายหมดจริงไหมครับเพราะทุนมาตายหมดเพราะงั้นอสโศกก็ต้องไปสร้างเครือห์แหเครือแหนี่ยังไม่ลงละเอียดนะครับว่าเครือแหคืออ้อพูดเหมือนกันว่ า, าใช้บุญนิยมของอสโศกไปช่วยเขา เป็นพันธมิตรกันที่เราใช้เนี่ยนะครับอันนี้ก็ตบมือให้หน่อยครับเก่งมากการตั้งรับก็คือการสร้างพวกให้มากขึ้นตั้งรับโดยใช้จุดแข็งไ ป, ปหาเพื่อนอกลุ่มต่อไปครับ อ, อ๋อันนี้ก็เป็นหน้าที่เดี๋ยวต้องมาเสริมการตลาดเคลือห์แถามต่อโทษนะครับเดี๋ยวนเลือแหลที่ไปหาเนี่ยเอาเข้ามาช่วยการตลา ด, ดของเราได้ไหมช่วยลงสีได้ไหม ได้ไหมอ่านี่ไงเห็นไหมเพราะว่าเครือแห่เนี่บอกฉันมีข้าวสุขภาพแล้วเธอทํานาเธอจะปลูกข้าวก็ใช้สารไม่ใช้สารเคมีได้ไหมได้ทั้งประโยชน์เราและเขาไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเป็นเครือแห่ที่มีสาระคือเอาเนื้อหาเป็นตัวตั้งเอาประโยชน์รวบเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเครือหาเครือแห่ก็จะเกิดไปการลอย ก, อยกันอย่างที่ดึงฟ้าพี่จะบอกเอาลง400คนคนไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเครือแห่ก็จะใช้โอกาส ล, ายลอยการตลาดลอยข้าวลอย ชาวนาไว้ด้วยกันก็ได้ร้อยชาวเมืองไว้ด้วยกันก็ได้ใช่ไหมครับเพื่อชาวเมืองชาวสุกชาวนาสู้กันหมดครับกลุ่มที่สอง<ข>อครั บ, าารรบแล้วก็เยาวชนธรรมบอนอโบทุกท่านทุกคนครับนะผมที่ชัดก็เป็นตัวแทนของกลุ่มหนะึ่งะเรื่องการศึกษานะเออพวกเราได้สรุปกันนะเกี่ยวเรื่องการศึกษานะั้นเห็นว่าพวกครูนี้นํามาตลอดเลยจัด ก, การศึกษานี้ที่เราสรุป ผลที่ว่าวิสัยทัศน์เป้าหมายของเราน่ น, นะคือเรื่องเรื่องคุณธรรมเรื่องคุณธรรมสำคัญที่สุดนะแล้วซึ่งพวอพวคุณก็ได้ทำมาตลอดใช่จัดการศึกษาตั้งแต่ตระดับต้นเลยว่าสินเด่นเป็นงานชาวิชา40 3สี่สิบ็เอแล้วก็วิชาการแค่ 25% เองนะแต่ในการประหลินพวกเรานั้นส่วนมากแล้วเอาเท่างหมด 100% 100% 100% เซ็ตร์เรากษเราก็โดย 300% ร้เซนนะฮะเกิน2 0นะงร้อหนักมากนี้ของเราเป็นหลักสูตรของวลนอวนอบ อ, บ อ, บอนี้ตอนนี้กำลังจะปรับใช่ไหม mm hmm. เร้เป็นยังปรับเพื่อจะเห็นชัดเลยว่าพ่อพ่อครูเราเนี่ยเอาการเอาวิชาการต่างเนี่นยเฉพาะเรื่องลดระดิเลกลลดระเรื่องคุณธรรมท่านั้ใช่ไหม mm hmm. เพื่อที่จะเพิ่มอริุยะพวกเรา มีทางนี้เท่านั้นเองที่จะช่วยโลกได้ไม่ใช่เฉพาประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะสังคมนะฮะนี่ส่วนใหญ่แล้วการศาึกษาโดยเฉพาะคุณธรรมหรือว่าพุทธศาสนานั้นเข้าใจผิดกันเยอะนะฮะศึกษากันนะซึ่งพ่อครูเคยบอกการศษานี้นั้นโดยโลกโลกแล้วมันเป็นการเพิ่มกิรลสทั้งนั้นเลยมีเส้นทางเดียวนั้นคือเส้นทางการศึกษาของพระพุทธเจ้ามี่รดลักกิเลสแล้วพวกเราจะมีความสุขสังคมก็สุ ข, ส ข, สขทุกอย่างนะ ที่เราก็ได้จัดการษาในแนวคิดในกลุ่มเรานั้นนะเราจัดการษาทั้งสี่ระดับนะเพื่อใครนะที่ได้มานะจากการศึกษาเรา ท, ท, ที่จัดสี่ระดับนั้นตั้งแต่ตั้งแต่อนุบาลนะืออตั้งแต่ก่อนก่อ น, ก, อ น, ก, อ น, ก, อนก่อนการสาภาพบังคับเลยนะแล้วก็มาประถมมัธยมนะแล้วก็มาถึงระดับอะไรนะั่นะนะสี่ระดับนี้ น, นั้น นะจากการที่เราจัด ก, การศายนั้นเออเราก็ได้ได้จากเพื่อนบ้านของนักศึกษาคือจากการที่นักศึกษาเราได้ได้สำเร็จไปหรือว่าผ่านจากเราไปนี้พอไปไ ป, ไปที่ชุมชนหรือหมู่บ้านนะในหมู่บ้านก็มองเห็นว่าโอ้โหที่มาเรียนศึกษาจากที่ อ, องค์กรโสกนี้นะเขาเปลี่ยนพัฒนาไปอย่างมากมายนะเขาเขาได้มามาเข้ามาร่วมร่วมเรียนหรอว ห, หรือว่าจากเอ่อคนทั่วๆไป ที่กําลังทุกข์อยู่สารพัดเลยเฮ้ยจะศึกษายังไงจะเรียนรู้ยังไงนี่แต่เขามาเห็นการศึกษาของทางโศมนี้เพื่อการพ้นทุกข์ตรงนี้เขาก็มาเข้าศึกษานะมาทางนี้ทุกๆจากหลายเรื่องทุกเรื่องสุขภาพทุกเรื่องเศรษกิจทุกเรื่องสารพัดเลยแต่ประมาณนี้เป็นทางแก้ให้หมดหรือจากการที่เราให้ความรู้การแสบทางด้านสื่อสื่อของเราตอนนี้ ไปถึงขั้นใครที่มีมีเน็ตมีอะไรตารนี้เข้าไปได้เลยนะฮะออาโศกนะฮะ u ูทจะย้อนหลังของพ่อท่านที่ที่เ ท, ท, ทีมาได้ตลอดเลยนะ mm. หรือว่าเอ r i อ็มอะไ r Steam, Steam, นะั่นะนะนะเป็นเป็นการถ่ายทอดสดถ้าถ้ารายการของของของของพ่อครูนี่ก็มีการถ่ายทอดสดก็ช่วงนี้ก็6โมงถึงสองทุ่ม นะฮะซึ่งจะไปไปเปิดฟัง เ, เปิดเดาได้เลยนะใครที่มีเน็ตนะนี่เป็นการศึกษาศึกษาทางด้านเรื่อโลกุตละเพราะว่าป้องหมายเลยนั้นคือเรื่องคุณธรรมเรื่องโลกุตละนะอย่นี้แล้วทุกชีวิตที่มีปัญหานะฮะ ก, ก็จากการที่เราของพวกเราชาวโศกนะที่สมาชิกขาที่ได้จัดการศึกษามาแล้วนะแนวทางนี้แหละนะนี่ขอให้เราเข้าใจทุกคนนะ แล้วก็การขยายเราจะขยายอย่างไรนะนำกิจกรรมที่ทำตามปริยาทั้ง4 4สีขั้นที่เราได้ทำมาแล้วนะขยายต่อไปเลยนะนะผ่านสื่อ FM หรือพรีทีวีวิธีอ่ต่างนะแล้วก็การพัฒนาคนเข้าไปสู่อริยชนนะตัวอย่างที่ดีมีข้าวกับคำสอนนะแล้วก็ทุกคนที่คือพรีเซนเตอร์เป็นผู้มีวันนักก้าเจรณ1สห นะแล้วก็เผยแพร่ทางได้อีกสารหนังสือต่างก็เยอะนะนะเสนอความต้องการด้านสุขภาพและ้อสุขภาพนะนะขึ้งจากตรงเป้าวิสัยทัศน์ของเราคือการศึกษาที่ไม่ลดระดเกลียดคู่ประเทศไม่ได้ครับขอบคุณมากครับถ้าสรุปให้สั้นเนี่ยเขาใช้กลยุทธ์อะไรข้างล่างที่เขาอธิบายมีสองอันข้างบนคือเ ข, า, ขาว่าข้างบนละครับอ่า ถอดถอดความครันี่เราฝึกถอดความฟังเสร็จเราถอดความะจะถือรอยถอดความข้างบนนี่เขากําลังจะขยายกลุ่มในในวงแดงนี่คือคนอโศกใช่ไหมครับที่เขียนเป็นตุ๊กตาเป็นใครเนี่ยเป็นคนนอกอสุกใช่ไหมครับซึ่งเป็นชาวโลกอย่างผมเนี่ยก็หมายความว่าใช้การสาเนี่ยไปตีกินโดยการผ่านเพื่อนของนักเรียนอโศกผ่านพวกเราได้ไหมนี่ก็คือว่าการใช้การเชื่อมโยง แล้วก็ใช้สื่อนี่คือยุทธศาสตร์ใหญ่ของเขาก็คือคนที่ทุกวิ่งเข้ามห า, าโศกคนที่มีปัญหาวิ่งเข้ามห า, าโศกเรื่องสุขภาพอย่างผมเนี่ยใช่ไหมครับก็วิ่งเข้ามห า, าโศกก็มาจะใช้ก็มามเรียนรู้เรื่องการสะเพรินว่าผมอาจจะเรียนรู้บางอย่างเท่านั้นเองที่ผมสนใจที่จะเรียนรู้เพราะอาโศกมีเรื่องสนใจมากน่าสนใจมากก็เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ใช้ผ่านสื่ออันนี้ก็คือใช้สื่อแต่สื่อนี้ไม่เข้าเป็นสื่อออกไป แล้วตรงนี้เขาใช้สื่อ อ, อกักกี่สื่อครับถ้าสรุปแล้วใช้กี่สองใบก็ได้มีสองสื่อเองสื่ออะไรครับที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยสีหข้อเนี่ยสองสื่อเองคืออะไรสื่ออะไรเอ่ยเวะลาอ่านบัตรอ่านอ่านตัวหนังสือเพิ่ต้องหาความคิดลบย้อนให้ได้เขาใช้สื่ออะไรครับคนใช่ไหมครับคนต่อคนใช่ไหมครับกับสื่อของกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการ ใช่ไหมครับอสุกมีกิจกรรมสุขภาพมีการบริการทุกอย่างก็ไม่แต่ข้าวที่เร า, าพูดกันก็คือกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์เปลี่ยนกิจกรรมเป็นสุดท้ายเป็นอะไรครับเขาเรียกว่าผลสุดท้ายเป็นอะไรครับทุกครั้งที่เราทํากิจกรรมก็คือต้องได้ผลผลิตเป็นข้าวเป็นสมุนไพรเป็นอะไรใช่ไหมครับแล้วมีคนที่มีจิตใจไปเอื้อแล้วคนต่อคนมันเขาใช้ยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดแข็งของของอสุกแล้วสุดท้ายเขาใช้สื่อ ที่เขาพูดเนี่ยคือการใช้สื่อก็ใช้3ามอย่างโทษค่ะปิดคนผลิตภัณฑ์หรือบริการนี่แหละใช่ไหมครับที่อโศกเด่นแล้วก็อะไรครับสื่อนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์รองกลยุทธ์หลักคือทำไงจะขยายคนให้ได้มากที่สุดหรือจะเรียกว่าหลักทั้งคู่ก็ได้ชัดไหมครับเห็นไหมเขาบีกลยุทธ์วิธีกลยุทธ์ไหมเพราะว่าถ้าถ้ารอให้คนเข้ามาโศกอย่างเดียวก็ไม่นั่นคืออดีตใช่ไหมครับ แต่วันนี้เขาใช้สื่อออกไปข้างนอกแล้วคนก็เหมือนกันถ้าคนที่จะรอให้คนทุกขเข้ามาก็จะได้จํานวนหนึ่งแต่ว่าใช้ปาก <c oughs> เพื่อนช่วยเพื่อนออกไปเรื่อยๆปากต่อปากญาติธรรมออกไปหาเพื่อนญาติธรรมซึ่งไม่ใช่ญาติธรรมก็ได้อันนี้เป็นวิธีคิดทางกลยุทธ์นะครับที่ผมช่วยสกัดให้เชิญ <c oughs> ครับกลุ่มที่3ต่อไปครับตอกือให้แล้วใช่ไหมกลุ่มนี้ <c oughs> กลุ่มอะไรครับ <c oughs> กลุ่มบริการ เชิญครับนี่กี่โมงแล้วเอ่ยทุ่มอ๋อยังมีเวลาครับอ๋อทุ่มแล้วอ๋ออ๋อยังไม่ทุ่ ม, ม, มเชิญครับค่าน้อมกล่าวในมิการท่านสมณนะค่ะขอจะเจริญธรรมทุกท่านค่ะขากลุ่มสองนะคะงานบริการ การบริการนี้นะคะต้องมีหัวใจหลักของการบริการแบบหน้าตานี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะการบริการหัวใจการบริการจะพัฒนาจะให้มีประสิทธิภาพได้ดังนี้ค่ะโดยเฉพาะมีอิทธิบาท4ค่ะยินดีรับใช้เต็มใจที่จ ะ, ะพัฒนาในงานนั้นๆ น, น, นะคะอิทธิบาท4นี้ก็ต้องมีฉันทาก่อนใช่มคะมีฉันทาแล้วมีความเพียรอย่างยิ่งยวด จิตใจต้องทุ่มเททุ่มโถมเลยค่ะแล้วก็เอาเนื้ อ, อค่ะใส่ใจผู้มารับใช้บริการคือทุ่มเทให้เลยนะคะไม่ใช่ห้ อ, องว่างนะคะแล้วก็ให้เกียรติผู้มารับใช้ผู้มาใช้บริการด้วยค่ะคือการให้เกียรติคนนะคะโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าก็บอกไว้ว่า การมีปฏิสันพานก่อนอย่างน้อยๆก็ให้เกียรติและรับฟังแล้วก็ให้ความสําคัญต่อผู้ที่มาต่อหน้านะคะส่วนจัดสรรเวลาให้บริการนี่ก็จัดสรรให้ชัดเจนนะคะเช่นว่าสถานที่แต่และสถานงานนะคะกล้องชัดเจนแล้วก็ต้องอให้ความสําคัญตรงนี้ค่ะแล้วก็ยังให้การเผยแพร่ให้ความรู้อย่างน้อยๆไม่ใช่ว่าเอาเข้าไปแต่ใช้งานดุนๆนะคะ ต้องให้เขาต่อยอดได้ด้วยต้องให้เขาเห็นความสําคัญว่าสําคัญอย่างไรนะคะแล้วมองตามความเป็นจริงด้วยไม่ใช่ว่าตามออเดอร์หรือตามที่แม่งานหรืออาฐานตั้งเป้าไว้นะคะอย่างนี้มันก็จะไม่ใช่แล้วนะคะงานบริการต้องให้มีความสุขยิ้มเย็นถามถ่ายด้วยนะคะตัวนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ต้องมองตามความเป็นจริงไม่ต้องคาดหวังอะไรมากขอให้เราลดกิเลสได้จิตใจเจริญ ตรงเป้าหมายนะคะแล้วก็ยังให้ผู้บริการเนี่ยต้องมีสุขภาพที่ดีไม่ใช่ว่าผอมแห้งแรงน้อยแต่จะไปช่วยสุขภาพคนอื่นดูแค่ภาพก็ไม่น่าศรัทธาไม่น่าจะใช่นะคะต้องแข็งแรงก่อนนะคะ แข็งแรงทั้งรูปทั้งนามด้วยนะคะเห็นหุ่นแล้วอุ่นใจว่าเออใช่ใช่นะคะอย่างนี้ถึงจะเหมาะนะคะพร้อมให้บริการคนไปให้บริการก็ใจมาตั้งเป็นกองไม่ใช่ว่าดีไหมกล้าไหมทําไมคุณหมออย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ หรือแม่งานทำไมอย่างนี้เข้าไปอ่ะมันจะแฮปปี้ไหมหรือแม่งานนี่ทำไมสายตามองเราอย่างนั้นไม่ใช่นะคะแล้วข้อที่8ดนะคะมีความสามัคคีเป็นเอกเลยนะคะอย่างน้อยๆไม่ใช่เรื่องงานนิดหน่อย อพอเครียดปับ๊บออเดอร์มาไม่ทันแตกสามัคคีกันคนนั้นก็ไปโทษคนนั้นคนนี้ไม่ใช่เลยนะคะทุกคนมีส่วนร่วมและทุกคนมีส่วนแตกต่างแต่พอเหมาะค่ะแต่ไม่ใช่แตกแยกคือสามัคคีนะคะแล้วก็ข้อที่9มีการประชุมสม่ําเสมออย่าน้อ ย, น, อยน้อยถึงมาช้า ก, กว่ากันนิดหน่อยแต่พร้อมเพียงกัน เลิกบ้างก็ยังดีนะคะเพราะว่าอาจารย์คะเพราะว่าอัศว์เราบางทีไม่ได้เหมือนกับพุทธพจน์บอกนะคะพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกนะคะบางทีทยอยกันมาประชุมแต่พร้อมเพียงกันเลิกก็มีค่ะแต่ตัวนี้หัวใจหลักด้วยนะคะถ้าทําได้ก็สุดวิเศษนะคะส่วนข้อที่9มีการประชุมกันสม่ำเสมอแล้วก็ทุกฐานงานถ้าติดไว้นี่พ่อครูบอกนะคะระวังอารมณ์ก่อนงาน อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้นี่คือหัวใจของนักบริการทุกระดับจบมาจากไหนก็ไม่ตกงานสังคมไทยแม้แต่สังคมโลกตอนนี้ก็ต้องการระวังอารมณ์ก่อนงานแล้วก็เป็นผู้บริการเพื่ออ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปครับสิ่งที่อโศกใช้เป็นกลยุทธ์มาตลอดคืออะไรครับ ในงานบริการแล้วจนเป็นที่ติดปากคนข้างนอกกระโศกนะคืออโศกใช้ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะว่าในการบริการก็คือใช้ใช้หลักของอิธธรรทธิบาต4ค่ะแล้วนี่อิทธิบาตรสี่อันนี้เป็นไปนที่เด่นแล้วทุกอโศกไม่ว่าเรื่องความความรู้หรือเรื่องกติกรรมให้ความรู้ไหมครับให้ค่ะใช่ที่เป็นตัวอย่างที่ออกไปนอกกระโศกที่ผมใบให้ก็ได้ ให้ความรู้ตลอดความจริงให้รู้แต่ที่เด่นมากก็คือให้ความรู้ตลอดการให้ระหว่างการให้บริการคือใครครับคือเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพนี่เด่นมากเลยเพราะว่าถ้าไม่ให้ความรู้ไม่ให้สมุนไพรไม่ให้จนเกิดใช่ไหมครับเพราะฉนั้นอโศกนี่เด่นเรื่องการให้บริการโดยการให้ความรู้แล้วก็มีสินในผู้ให้แล้วก็มีเรื่องอะไรครับเรื่องนี่ครับอดน้อมทํามตนซึ่งมาจากมาจากรัวนี้มาจากตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉั้นอโศกนี่เป็นผู้รับใช้จริงๆ แล้วมีอั น, นที่ใครตอบได้ที่หายไปคําว่าบุญนิยมอโศกเนี่ยบริการโดยมากจะไม่ได้ใช้เงินเป็นตัวตั้งแต่แล้วได้เงินมาเต็มไหมครับเยอะไหมนี่เป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดอย่างเช่นไม่แต่ว่าบริการทุกอย่างจิตฟรีหรือว่าบุญนิยมหมดแต่ว่าคุณซื้อของเต็มไหมเยอะเลยนี่เป็นกลยุทธ์ไหมเหมือนเราเข้าส่วมที่เซเว่นซ่วมที่ปลารจ่ายเงินสาบาทไหม แต่ใครกินกาแฟแก้วทะลายครับแก้วทะลาย่ด้แล้วเขาบวกสบาทไปแล้วได้ปลดทุกข์แล้วก็ไปเติมทุกข์ใหม่แพ็ก็เก่าอีกแต่ถ้าไปปลดทุกข์ของของหลวงไปไงสาบาทไปอยากจ่ายด้วยแต่บวก60ได้กาแฟได้แก้วพลาสติกไปอีกหนึ่งใบได้นั่งคุยในในไร้กาแฟแต่หารู้ไหมเขาเก็บเก็บค่าส่วมไปแล้ว3บาทจริงหรือเปล่าเห็นไหมครับนั่นคือกลยุทธ์ไหมอันนี้ก็คืออาศกว่ใช้กลยุทธ์พวกเนี้ย ในการให้บริการบอกว่าของอระสุก็คือบุญนิยมถ้าพูดให้สวยรู้เนี่ยก็บุญนิยมแต่ว่าเงินมาเพียบเลยใช่ไหมครับแต่ที่มากของเงินคือความพึงพอใจของใครครับความสุขลูกค้ า, คาใช่ไหมครับอันนี้คือคื อ, ค, อคือสิ่งที่ข้างนอกมีแต่ไม่ถึงขั้นนี้ครับขั้นที่เอาเอาสินไปให้ลูกค้าด้วยเอาความรู้ไปให้ลูกค้าด้วยแล้วนายกเองก็ได้ อ่อนน้อมถ่อมตนยิ่งบริการพนั้นอนโอนจะบริการที่ไหนครับที่ซ่วมที่ครัวอันนี้คือความต่างเห็นไหมครับขยะซึ่งบริการที่คนจะมกบริการไปที่ได้หน้าได้ตาแต่คนโอนเป็นคนอะไรมีศีลมีอธิบาทใช่ไหมครับเพราะั้นอันนี้คือความต่างที่ผมจับได้แล้วก็ช่วยสกัดที่น้องข้านำเสนอว่าต่อส่หลายข้อนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ที่เด่นๆต้องเอาเด่นๆมาใช้เพราะมันเป็นกลยุทธ์ อย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้ผมมาล้างตับล้างลําไส้ฟรีหมดทุกคนก็มาฟรีแต่ทุกคนไปซื้อสากรไหมซื้อไหมสากลมีรายได้ปีละเท่าไหร่เห็นไหมครับเหมือนเขาก็มาซื้อสินค้าวิธีนี้คือวิธีเคขาเรียกทางอ้อม <c oughs> กลยุทธ์นี่คือทางหาวิธีที่ไปได้เป้า <c oughs> ใช่ไหมแต่เราไปสูงกวนั้นอีกเราให้เป็นบุญใช่ไหมครับเราไม่ให้างบุญต้นบุญปลายอันนี้คือการมองที่ลึกกว่านะครับที่ผมช่วยถอนให้ ขอบขอบคุณน้องมาก ค, ครับขอบพระคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่เ <c oughs> ชิญครับ <c oughs> กลุ่มต่อไปีผมจะไม่ถอดละให้พวกพวกถอดกันเองเอดี <c oughs> ๋ยวขายาสาถอดยกมือเลยนะครับว่าอะไรที่เป็นกลยุทธ์ที่เด่นๆของกลุ่มที่นำเสนอนอาจารย์ก็ขออนุญาตเรียนเสริมค่ะที่อาจารย์บอกว่า เราบริการฟรีในระบบบุญนิยมเสร็จแล้วก็เป็นกลยุทธ์ไอ้นุ่นก็ขายดีไอ้นั่นก็ขายดีนะคะไม่ทราบว่าจะเป็นสัจจะที่พวกเราจะคุ้นชินกับพ่อครูคะ่ะว่ายิ่งให้ไปก็ยิ่งได้มาค่ะใช่ชาวพุทธทั้งหมดทั่วประเทศแต่ว่าที่ชาวพุทธข้างนอกเนี่ยได้มาเป็นเป็นเรื่องพลเจอกิเลสเจือวัตถุเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าอโศกอาจจะเป็นตรงนี้อาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับเพราะว่าหวังให้ คนอื่นได้จริงๆได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเราเราก็ได้บุญด้วยได้ลดละกิเลสด้วยอันนี้มันมันเห็นชัดกว่าที่อื่นนะครับก็ที่อื่นอาจจะได้มาเป็นกองเงินสร้างวัดสร้างเจดีย์สร้างอะไรเยอะแยะแต่อโศกเนี่ยสร้างใจของเราเองแล้วก็ใจของผู้ผรับผู้ให้กับผู้รับเนี่ยใจมันต่อใจกันเพราะว่าอโศกทํางานด้วยใจล้วเป็นใจที่มีอิทธิบาทสี่ที่นองกระนำเสน อ, อนี้มันจะเป็นความต่างเฉันกลุ่มต่อไปครับ และอโสม ก, ก็ไม่โลภเหมือนที่อื่นที่อื่นก็จะได้เงินเยอะๆเอาเงินเป็นตัวตั้งแต่โศกเนี่ยผลที่สุดก็ต้องเอาเงินมาตัดที่ไหนครับตัดเป็นบุญที่ไหนที่ตลาดอริยะซึ่งธรรมนานแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นบุญใช่ไหมครับเป็นขาดทุนอันนี้คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายแล้วก็ใช้การบริการเป็นการลดละกิเลสตัวเองซึ่งงานบริการทั่วไปเนี่ยไม่เไม่เพิ่มกิเลสตัวเองก็เพิ่มกิเลสให้ลูกค้าอย่างเช่นโทษนะครับหมอนวด แต่นวดอาโศกต่างไหมครับต่างเพราะต้องการให้ผมหายต้องการให้ลูกค้าหายใช่ไหมครับแล้วก็บ อ, อ, องเขียวก็สอนความรู้ให้เองพวกเราก็สอนความรู้อีกเพรา ะ, ะนั้นไอ้ความรู้เนี่ยให้ไปสอนให้ไปเป็นหมอตัวเองอย่างนี้ก็แสดงว่าอโศกมีการเป้าหมายการบริการสูงกว่าไหมสูงกว่าหรือลึกกว่าอันเนี้คือความต่างความเด่นที่ผมคิดว่าเป็นกลยุทธ์ของชาวอโศกที่ชาวอโศกอาจจะถือว่าเป็นเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่ผมแค่เป็นกลยุทธ์ที่ฉานฉลาด ค่ะเดี๋ย ว, ยวขออ่านอีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้ที่แบบยิ่งยิ่งให้ไปยิ่งได้มาค่ะไม่ใช่ว่าพอให้ให้ให้ไปให้ความอ่อนน้อมถ่อมตอนเป็นคนรับใช้แต่ถ้าคุณให้เรากลับมาตอนนี้เรายังไม่รับนะคะจนกว่าจะครบคุ้นกันไปก่อนตามตา ม, ตามกฎอของคนโศก ค, ค่ะไม่ใช่รับง่ายง่ <ๆ S 1> นะคะใช่ใช่มีเกติการดังนั้นรรถึงต้องมีเกติกาว่าก่อนจะรับต้องเช็คจิตตัวเองด้วยดูสภาพแวดล้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประมาณเนี้ค่ะพอดี เห็นว่าต้องคบคุ้นกันก่อนหลายระดับพอสมควรค่ะกว่าที่จะได้รับเงินครับครับกลุ่มสุดท้ายมีหรือเปล่าครับเอาเอาที่ยังไม่เสร็จน่ะชื่อว่าคนหนุ่มเนี่ยเอตลกดีไหมเนี่ยกลายว่าคนแก่เสร็จก่อนคนหนุ่มแล้วดูซิว่าเ่าเขา เขาคิดเยอะไหมคนหนุ่มคนสาวเนี่ยอุตสาแล้วกลุ่มคนหนุ่มแล้วอาจารย์กลุ่มสมัยใหม่ใช้สื่อใช้อะไรอคืออาจารย์ครับอาจารย์ครับเออตอนนี้ถามอ๋อเชิญครับคือผมอยากให้อาจารย์สรุปประเด็นอาจารย์นี่สรุปได้ชัดเจนมากเลยครับวิธีมองของอาจารย์เนี่ยที่สรุปย้อนหลังนี่นะอาจารย์สรุปได้ชัดเจนมากเลยฮะอยากให้อาจารย์ช่วยกับว่ากลุ่มอื่นผมเสียดายอ๋อจะช่วยกันครับครับ ผมก็ไม่ได้เรียนไปแต่ว่าจะชัดเจนอาจารย์ชัดเจนมากจับประเด็นได้ชัดมากอาจารย์ผมยอมรับครับช่วยกันครับช่วยกันแต่ผมทําให้เห็นช่วยช่วยขโมดให้เห็นจะได้เป็นเรื่องของกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์เพราะว่าเราไม่ได้เดินตรงๆแล้วพวกเราเป็นส่วนกระแสเพราะั้นต้องต้องต้องต้องมีวิธีว่ายน้ําทวนกระแสซึ่งชาวโศกใช้มาตลอดเพียงแต่ว่าผมมาสกัดให้รู้ว่าเพิ่มครับอาญครับครับพร้อมยังอ่า ครัถ้ายิงช้าก็ทุบหนึ่พอดีอ๋อเคยจะไปรายงานพุ่งนี้ใช่ไหมเอาหน้าเอาแค่นี้จะได้จบจบไปเลยพวกนี้พวกนี้จะเป็นเรื่องลงสีเอามาร้อยกันเนี่ยที่ว่าเั้นพวกนี้ทุกคนจะใช้ยุทธศาสตร์ตัวเองใช้ฐานบริการใช้กลยุทธ์ของแต่ละแต่ละฐานนะครับมาดูว่าลงสีเขาคิดมาถึงตรงนี้เราจะต่อร้อยให้เป็นสร้อยคอได้ยังไงสร้อยพวงมาลัยได้ยังไงนะครับ ในฐานะที่เราเป็นเด็กนะคะถอยถอยถอยข้างล่างนะครับเด็กบังก ล, ลาวเจริญทางสำเนียดีค่ะพี่ป้าทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ในทางกลุ่ม5ของเรานะคะก็ได้รับโอกาสดูแลเกี่ยวกับฐานงานสื่อนะคะซึ่งจากทั้งเรื่องยุทธศาสตร์ของอาจารย์นะคะมันก็จะประกอบด้วยจุดแข็งโอกาสจุดอ่อนแล้วก็ภัยคุกคามนะคะทีนี้เราเลือกที่จะพรีเซนต์สเรื่องก็คือด้านลุกกับด้านเลิกนะคะ ในด้านลุกนี่ก็คือจะเป็นจุดแข็งบวกโอกาสแล้วกลายเป็นด้านลุกนะคะซึ่งจุดแข็งของเราที่ทเพื่อนๆพี่ๆก็ช่วย เ, เขียนมานี่มันก็ค่อนข้างหลากหลายและทุกคนก็ได้ฟังมาจากหลายๆกลุ่มแล้วนะคะ mm hmm. หัวใจของมันก็คือการทำงานสาธารณะโพกีแล้วก็สื่อสารบุญนิยมนี่คือทางทีมงานสื่อพร้อมที่จะอะไรนะลุกไปกับพี่ป้าณอาทุกๆ ท, ท่านนะคะพวกเราก็จะทำกันเต็มที่เท่าที่ พลังกาลังและความสามารถของเราจะมีได้นะคะยังไงก็เมตตาพวกเรานิดนึงก็พวกเราต้องช่วยทุกคนนะคะเขาพวกท่านต้องช่วยตัวท่านเองแต่พวกเราต้องช่วยทุกท่านนะคะยังไงก็ขอความเห็นใจเรานิดนึงนะคะส่วนในด้านงานลุกก็จะประมาณนี้ส่วนที่เราเรลิกจาก ย, ยังยังมีลุกอีกเหรอคะพี่อเอาๆี่ขอความเห็นใจนี่ไม่ใช่ลุกนะครับหลับ นี่วิธีการนำเสนอเนี่ยขอเพราะว่าลูกต้องบอกว่าเราจะทำอะไรจะชวนชาวโศกมาช่วยยังไงนี่สื่อจะทำขยายผลให้ความเก่งความดีขอเชาโศกเอาเลยเอาให้สองคนอันนี้ใช่ไหมคะคให้พูดถึงตรงไหนคือผมไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดนะครับแต่ผมรู้ว่าสานโภูคีและก็บุญญาวุตรทั้งหมดเนี่ย จะแทรกซึมต่ออนุของประชาชนทั้งโลกได้ด้วยสื่อสารบุญนิยมนะครับโดยที่ทั้งหมดเนี่ยอยู่เหนือโลกแล้วความฝันที่คือหนังสือท่วมโลกเนี่ยอาจจะเป็นไปได้แล้วจะเปลี่ยนจิตวิ ญ, ญญาณของทุกคนเข้าสู่กระแสของพ่อครูสัมานะโพธิลักษณ <c oughs> ์ตัวช่วยตัวที่สองครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะอาจจะจบยังไม่ เพราะว่าเราแบ่งกันทํางานครับเอาทีมทีมรุ่นก็ต้องเข้าใจทีมรุ่นนะคะเพ <c oughs> ราะว่าความคิดย่อมเป็นอย่างนี้ค่ ะ, ค, ะคือการทํางานระบบบุญนิยมของเราอย่างที่เราทราบนะคะมีทั้งหมด7บุญนิยมซึ่งการทํางานสื่อต้องเห็นต้องรู้ทุกอย่างของระบบบุญนิยมของเราเพราะฉะนั้นนี่นะคะระบบบุญนิยมสาธารณโภคีก็จะถูกสื่อสารบุญนิยมทั้งหมดเนี่ยค่ะทําการเผยแพร่อ อ, อกไปโดยที่ในเรื่องรุกนะคะในเรื่องรุกเนี้ย ก็คือเราต้องพัฒนาคนค่ะเนี่ยค่ะคนที่มีพยายามเขียนนะคะว่าเป็นจิตจิตของพระโพธหส์อย่างเงี้ยค่ะก็คือใช้ธรรมะของมโพธิสัตว์ในการทํำสื่อออกมาทั้งทีวีอินเทอร์เน็ตหรือว่านังสือพิมพ์หนังสือต่างๆเนี่ยค่ะอุตส่าห์ต้องต้องมองแบบต้องมองแบบที่อีททำนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเขียนไม่ทันก็เลยเขียนเป็นภาพอะคะ่ะรวมถึงช่องทางช่องทางที่เราจะสื่อสารทั้งโลกเนี่ยค่ะ เราก็จะเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพราะเราถือว่าเรามีจุดด้อยตอนนี้เราทราบแต่วงแคบเราบอกกันปากต่อปากหรือว่าบอกกันแค่พุทธสถานเออดูสิดูสิสบอกแต่พันธมิตรบอกแต่กปปตแต่ว่าเราไม่มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วโลกรู้ว่า อ, อ๋อมีแล้วนะช่องทางนี้ ช, ช่องทางนี้ทางเดียวที่คุณจะรอดเรายังไม่มีนะคะเราก็จะเพิ่มช่องทางให้ทั่วโลกได้รับทราบรวมถึงข้อที่เราอยากจะเลิก ก็คือความคิดที่ท้อแท้ในการที่ถูกดา่าถูกว่าทั่วทุกสารทิศจากที่เราสวทกันมานะคะ เ, เราก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เรื่องเลิกนะคะจากที่อาจารย์บอกก็คือจะเป็นภัยคุกคามบวกจุดอ่อนนะคะของพวกเราจะมีถูกโจมตีจากบุคคลข้างนอกนะคะแล้วก็พวกโดนด่าจากทุกทิศอะไรพวกนี้นะคะ่ะวเรื่องสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงแล้วก็พวกอะไรนะ เป้าหมายต่างๆเป้าหมายเล็กเป้าหมายใหญ่ที่พวกเรายังเข้าไม่ถึงคือเหมือนเราทําสื่อออกไปแล้วเนี่ยมันไม่โดนใจเราก็เลยตัดสินใจว่าโดนด่ามาตลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนสิ่งนี้นะคะธรรมดาเนี่ยถ้าคนท้้งนอกเนี่ยอ่ยเลิกทําแล้วทําแทบตายอดหลับอดนอนข้าวก็ไม่ได้กินก็ยังโดนด่าอีกมันก็จะเกิดความท้อแท้ใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเราทําแทบตายยังหาว่าเราทําอะไรว่าวันวันนึง เราก็จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นโอกาสให้เป็นโอกาสค่ะเราก็จะเอาสิ่งนี้ค่ะเป็นพลังหนุนที่จะให้เราสร้างสรรค์งานต่อไปค่ะค่ะสื่อสารบุญนิยมค่ะสื่อสารบุญนิยมก็คือการที่เรารายงานความจริงทั้งเรื่องธรรมะแล้วทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจสังคมการศึกษาทั้งหมดเนี่ยค่ะ จะเป็นเรื่องการสื่อสารอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราต้องรู้ทุกอย่างจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยค่ะเราต้องรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับระบบบุนิยมหรือว่าความเคลื่อนไหวของชาวโศกสื่อสารบุนิยมนี้ต้องรับรู้ทุกอย่างเลยค่ะถ้านํามธรรมเราอยู่เหนือโลกแต่ว่ารูปธรรมของเราตอนนี้ยังไปไม่ทั่วโลกค่ะยังเก่งก็ร้อยเจกว่าประเทศแค่นั้นเองอะค่ะงั้นขอบค่ะ คนหนุ่มแต่เอาเรื่องเรื่องง่ายๆก่อนถือไว้ก่อนถือกันก่ อ, อผมจะตั้งคําถามทีมคนหนุ่มคนสาวเนี่ยแตกต่างจากพวกพ่อพแม่พี่น้องที่นําเสนอมาอย่างไงอ่าเขาแตกต่างยังไงประเด็นแรกใครจับได้เนี่ยเขาาใช้จดหนังสือหรือใช้ภาพภาพพูดยังไงก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าเขาจับกลยุทธ์ผมออกไหมอ่าพราะภาพมันดินได้มันรูปภาพอะ่ะนั้นเขาเขาใช้สื่อแล้ว เ, เขาเป็นนักสื่อด้วยไหม มันเขาเขาไม่ใช้ตัวหนังสือนี่คนรุ่นใหม่จะเป็นพวกเนี้ยเพราะเใช้ตาใช้จินตนาการเพราะภาพมันจินตนาการผมยังว่าออลูกโลกเนี่ยเขาจินตนาการใหญ่มากว่าสาระโปรเคจะอยู่นี่กขาลังส่งสัญญาณว่ากลยุทธ์เขาคืออะไรรู้ไหมครับทุนนิยมโลกเนี่ยเป็นเป็นสาระไหมไม่เป็นของใครของมันแต่เขาจะเอาสิ่งนี้มาอยู่เหนือโลกนี่ผมถอนราดให้อีกนะใช่ไหมอ่า เขาใช้ยุทธศาสตร์อันนี้มาอยู่เหนือโลกโลกนี้ก็คือสังคมใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ที่เขาจะสื่อสารได้เหมือนเขาจะบอกไอ้คุณค่าอันยิ่งใหญ่เ น, นี่ยหรือองค์ความรู้อันยิ่งใหญ่ น, นี้ของพระพุทธเจ้าซึ่งพราะท่านเอามาเผยแพร่นเนี่ยใช่ไหมครับโดยการสื่อสารแบบบุรณายมสื่อสารนิยมผมถึงถามว่าคืออะไรก็คือว่าสิ่งที่ชาวโสดมีอยู่และประพฤติและปฏิบัติเอามาสื่อสารด้วยสื่อทุกรูปแบบออกไปหาคนรุ่นที่เขาอยากจะให้กว้างขึ้น คิดได้ไงว่าคิดได้เก่งมากคือการขณะนี้เงินกำมันจะอยู่เหนือโลกใช่ไหมครับแต่ถ้าโศกกล้าใช้สื่อเพราะว่าเราสร้างคนสามสิปีก็ได้เท่านี้ส0สิปีเพราะท่านก็ถึงตั้งวนบอเพราะว่าถ้าทำได้ก็คือเอาประสบการณ์ทั้งหมดเอาความเผยแพร่ทั้งหมดคำสอนทั้งหมดแล้วก็ บรรท่สื่อแล้วบอกว่าวันนี้เราจะสถามนาไม่ใช่แค่อโศกแต่ว่าให้คุณค่าและความองค์ความรู้ของพุทธศาสนาโพธิสัตว์เราเนี่ยที่เรียกว่าสาระโพกีเนี่ยเพราะคําว่าโพธิสัตว์นี่เป็นการให้ทุกคนใช่ไหมครับสัทั้งมลมนุษย์เหมือนไอ้คําว่าสานะมึงต้องอยู่เหนือไอ้สิ่งนี้ซึ่งเหมือนของใครของมันใช่ไหมครับอันนี้คือความหมายเห็นไหมโทรอธิบาย ใครมาที่ไหนก็ถูกหมดเพราะรูปมันดิ้นได้แต่ว่าเอาครับก็จะต้องไปหัดคนหนุ่มสาวก็จะต่างกับคนอายุมากอย่างนี้นคื อ, อเขาต้องใช้ค่อยๆเข้าไปสู่ความลึกซึ้งทางนามธรรมาใช่ไหมครับต้องให้เวลาจะเห็นว่าคนรุ่นเท่านี้มีนามธรรมาสูงกว่าไหม ตอนนี้เขาก็อธิบายตอนแรกก็วนไปวนมาแต่เ ข, เขาสื่อด้วยภาพเนี่ยเขาบอกอะไรราบางอย่างเขาก็ใส่ไว้อยู่ในโลกเขาแสดงว่าเขาอยู่ระดับเดียวกับเราไหมลาบแต่เขาอธิบายยังไม่ได้นะได้ชัดเหมือนพวกเราก็ด้วยวัยวุฒิต้องผ่านรุ่นสองก็ต้องมาแทนรุ่นหนึ่งอขอบคุณครับมีเหลือกลุ่มไหนอีกอันนี้เอาเป็น เอาเป็นแบบฝึกหัดในการคิดเลื่อกลยุทธ์แล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคิดเรื่องลงสีต่อยอดกันยังไงเพราะฉะนั้นสื่อจะไปต่อการลงสียังไงเพื่อให้เห็นว่าต่อนนี้นีครับมีกลุ่มหนึ่งคะกลุ่มาคเขาเอาดีฉันมาฆ่านะคะคือต้องสารภาพกับท่านอาจารย์ก่อนนะคะว่า พอดีหนีเรียนนะคะไม่ได้เรียนเลยแต่ว่าพอมาถึงก็เพื่อนๆสรุปให้ฟังอย่างนี้แล้วก็โยนตุ้มลงมาเลยนะคะฉะนั้นก็<อ>ก็ลองออดูนะคะว่าจะถูกฆ่าตายไหมหรือเปล่ากลุ่ม <laughs> ที่สามของเรานี่คือพาณิชย์บุญนิยมนะคะฉะนั้นก็เขาบอกว่าให้ดูว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็จะแก้อย่างไงให้โจทย์มาว่าควรจะรื้อหรือยกเครื่องหรือปรับปรุงนะคะฉะนั้น ในการดันก็คิดว่าตอนนี้ทางเดียวที่เราทำได้ง่ายแล้วก็อลุ่มมาลุยที่สุดก็คือการปรับปรุงจุดอ่อนของเราจริงๆแล้วในพา น, นิษย์ที่ดิฉันมองเห็นหรือว่ากลุ่มมองเห็นก็คือทิฐิทิฐิที่เรากำลังเพลิไปหาทุนนิยมเพราะมันใกล้กันนะคะทำให้ได้มากๆขายให้ได้มากๆหาเงินให้ได้มากๆผลิตให้ได้มากๆ อาสูแค่นี้ทำยังไงก็ไม่พอค่ะนะคะฉะนั้นทำคุณหลังหลังหักค่ะนะคะไม่มีทางฉะนั้นเราต้องปรับทิฏฐิให้ชัดเจนว่าคุณจะมุ่งไปไหนมุ่งไปทุนนิยมหรือบุญนิยมนะคะต่อมาปรับการผลิตเมื่อเราชัดเจนแล้วเราต้องมาปรับการผลิตด้วยนะคะ วัสดุหรือผลผลิตของเราเนี่ยมันเป็นผลผลิตที่โลกต้องการมากๆไม่ว่าข้าวไม่ว่าผักไม่ว่ายาไม่ว่าอาหารอุทยานบุญนิยมมีคนอยู่กี่คนเองนะคะขายให้ชาวบลทั้งจังหวัดใช่ไหมคะทำยังไงยังไงมันก็ไม่พอค่ะคุณทุ่มไปอีกสิบคนสามสิบคนห้าสิบคนร้อยคนมันก็ไม่พอ ฉะนั้นคุณต้องดูว่าตัวคุณจะทำได้แค่ไหนวัสดุที่คุณจะใช้เอาแค่ไหนคำนวณให้มันถูกต้องเหมือนกันทั้งปุ๋ยทั้งข้าวนะคะดิฉันว่านะคะทั้งหมดปรับปรุงการผลิตให้ตรงให้ได้คุณภาพนะคะถ้าวัสดุหรือผ ล, ผลผลิตของเราสามารถที่จะผลิตได้เองทุกอย่างแล้วก็ส่งเข้าขายที่อุทยานเนี่ยแค่นั้นน่ะ พอไหมเราจําเป็นต้องเอาจากข้างนอกมาไหมเช่นน้ํามันพวกน้ํามันรําข้าวเราขายแค่ของเราหนึ่งตัวที่เราผลิตได้เองพอไหมเราไม่ต้องไปเอาของข้างนอกมาอีกสิบยี่ห้อมาขายนะคะงาคั่วคั่วเองทรงเองพอไหมนะคะเอาปรับแล้วฉะนั้นเราต้องปรับทิฐิของ ทุกๆคนที่จะมุ่งไปสู่บุญนิยมที่แท้จริงนะคะเพื่อใครเพื่อโลกนะคะแต่ตัวเราก็ต้องยืนหยัดยืนยันไปด้วยได้ไม่ใช่ทำจนหลังหักเอวลากขาหักเด้งนะคะสุขภาพของเราค่ะเราต้องเดินไปกับพ่อท่านจนเพื่อผู้อื่น ตัวเรายืนได้แล้วเดินได้แล้วถึงจะช่วยผู้อื่นได้คิดว่าพาณิชย์บุญนิยมในมุมมองของกลุ่มสามคงจะพอเป็นพอไปนะคะาตายไหมคะเดี๋ยวคิดแล้ ว, ลวฟังแล้วมีสองสามคำถามว่ากลุ่มนี้กาลังบอกอะไรกับเราประเด็นแรกในเชิญกลยุทธว่าคำว่าบุญนิยมเราต้องยกขึ้นไปอีกไหม ไปสู่อะไรเอ่ยเขาใช้คําอยู่บนหัวนะไม่ใช่คําที่แตกต่างทุกคนเขามีคำใหม่ใหม่คำคำไทยเนี่ยคำเนี้ยสมบูรณ์เขาก็บอกว่าให้เราเป็นระบบที่มุ่งไปบุญนิยมจริงๆแล้วก็ทําให้สมบูรณ์จริงก็แปลว่าไม่ไปไปเขาเรียกภาษาบาลีลิศัสเขาเรียกสังวาสกัทุนนิยม อันนี้เป็นจะเรียกว่าสายสายสา ย, สายโลกุตะละเ <c oughs> ขาเสนอทิศทางและพิษนยุทธศาสตร์ว่าต้องต้องปรับขึ้นไปหาความสมบูรณ์เหมือนแต่จะก็เหมือนประชาินไทยเลยยังไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีการมีส่วนร่วมใช่ไหมครับมีคนส่วนที่เดียวมีอำนาจต้องเอาคนสิบล้านมีส่วนร่วมเขาถึงจะจะสมบูรณ์ใช่ไหมครับแล้วก็มีดุลขานกันมีการให้ประชาชนเจ้าของอำนาจ เฮ้ยมึงไปสักทีได้อันนี้คือความสมบูรณ์ของกปปสที่เขาให้ความหมายใช่ไหมครับไอ้ละเอียดแต่วันนี้เขากำลังเสนอเรื่องสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะนั้นเราต้องมาหากันว่าสมบูรณ์ในตัวเราสมบูรณ์จริงหรือยังใช่ไหมครับยังลงศีลเป็นตัวอย่างว่าสมบูรณ์จริงหรือยังอ่าอันนี้เราอันี้เขาเสนอทางแก้ว่าต้องแก้ที่อะไรครับที่ทิฐิเขาแก้สองตัวแก้ที่ถ้าทิฏฐิของใครของคนไหมกับของใช่ไหมครับคนกับของใช่ไหมครับ แต่ลงสีมีอะไรเพิ่มขึม้นมาอีกอันหนึ่งที่เราคุยกันมาลงสีมีอะไรที่มากกว่าสองอันนี้คนของแล้วมีอะไรครับคนของก็คือข้าวคนก็คือคนที่ทํางานเรื่องลงศีมีอะไรครับบริหารจัดการเชิงระบบแต่ระบบของอโศกซึ่งไม่เหมือนระบบข้างนอกใช่ไหมเพราะระบบอโศกมีศีนกากับทุกอย่างเลยไม่แต่การบริการเท่านั้นใช่ไหมครับก็เรียกว่าการบริหารเชิงสังคมแนวพุทธก็ได้ ใช่ไหมครับแนวพุทธวิธีหรือแนวบุญนิยมงั้นอันนี้ลงสีมีไหมมีการปรับระบบไหมมีการจัดองค์กรคําว่าระบบนี้มีองค์กรไหมนี่เราเห็นอยู่ตรงนี้คณะกรรมการคณะทํางานแลน้วนี่นี่คือเป็นระบบไหมครับไล่ไปทุกจุดเลยไหมครับอันนี้คือการแก้เชิงที่เราไล่จากได้ยินตอนแรกว่าเอ๊ะมันไม่แน่ใจไม่แน่ใจเนแบบเก่าเอามาคุยกันให้ชัด จัดวางแบ่งหน้าที่กันเลยใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็คือว่าการแบ่งงานการจัดระบบจะต้องเข้ามาในเชิงพาณิชย์แล้วที่สูงสุดของพาณิชย์คือคืออะไรครับทำที่ที่กลุ่มโลงสีคนควาได้คือเมื่อได้กาไรมาทําให้กําไรโปร่งใสเป็นที่รับรู้ในสาณะรวมกันจริงจะเป็นสาระโภคีใช่ไหมแล้วต้องเปลี่ยนสาระโภรคีย น, นี้เป็นของสาระให้เป็นสาณะโภคีคือเปลี่ยนขั้นตอนที่ไหนอีกอีหกกับ7อีกใช่ไหม นี่คือสิ่งที่ลงศีพูดก็คือว่าต้องปรับกําไรให้อยู่ใต้อย่างที่กลุ่มสื่อเขาใต้ใต้บุญยมให้บุญยมอยู่เหนือให้ได้เหนือกําไรให้ได้ก็คือขั้นขั้นที่6และขั้นที่7ของกลุ่มลงศรีที่คิดเช่นใช่ไหมครับใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่เติมเข้าไปกลุ่มนี้ได้ไหมครับเพราะฉะนั้นกลุ่มลงศีก็คือพันธุ์นี้เขาปรับคนแต่ที่เรื่องนี้คือความสมบูรณ์ที่สรุปว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่กําไรหรืออยู่ที่ไปให้ถึงทั้ง กระบวนการผลิตและทั้งคนทั้งวิธีการถ้าภาษาคือเรียกปัจจัยนําเข้ากระบวนการผลิตสิ่งเนี้ยแล้วก็สินค้าต้องมีคุณธรรมไหมเนี่ยแล้วก็ตามไปไหมเราตามไปดูการตลาดอีกไปดูมาให้บริการสุขภาพตามไปตามไปดูว่าผมหายไม่หายเห็น ไ, ไหมครับเพระนั้ไอ้จิตใจแบบเนี้ยมันก็จะเป็นจิตใจที่ว่าสมบูรณ์ใช่ไหมครับนั้นสินค้าอาศรก ต่างจากสินค้าทั่วไปไหมต่างค่ ะ, อ, ะอันนี้มันมันก็เพราะว่าคนมันต่างเป้าหมายมันต่างแล้วก็สิ่งที่ผมอยากพูดก็คือวันนี้ถ้าส่งจะขยายตัวก็ลงสีเป็นตัวอย่างข้อเสนอของกลุ่มนี้คิด2แต่ว่าวันนี้เราคิดเชิงระบบไป 3- ส, สี่แล้วคือระบบแล้วได้เงินแล้วเปลี่ยนเงินเป็นบุญนิยมนี่คือระบบที่สูงสุดที่สมบูรณ์ใช่ไหมครับอ่าสองกลุ่มข อ, ขอบคุ ณ, ค, ณ ค, ครับ จบไปยังเอ่ยหมดหม ด, หมดทุกกลุ่มมิยังอ่าหมดแล้วหมดเวลาพอดีเกินไป้สิบนาทีขอโทษครับ <K _> ก็วันนี้พอได้ความคิดทางกลยุทธ์ไหมครับว่าที่พวกเราก็คิดได้กันแต่ว่ายังการนําเสนอก็ยังอ่าแค่การนําเสนอก็เป็นเป็นเนขาเรียกเป็นสไตล์ไม่เหมือนกันเป็นวิธีการนําเสนอซึ่งเราค่อยฝึกไปนะครับก็แต่ว่าเรามาถูกทางแล้วแล้เรามาด้วยการเชื่อมโยงการเป็นองค์รวม ก็อันนี้คือการคือสวอตเนี่ยต้องมาถึงขั้นนี้แต่ว่าขั้นนี้ยังไม่ต้องไปต่อนะครับพรุ่งนี้เราจะดูว่าโลงสีเข้าไปต่ อ, อยังไงแล้วเราจะไปร้อยกับลงสียังไงเพื่อให้เห็นว่ามันต้องร้อยกันให้ให้ให้ครบครบวงอะนะครับก็ไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันเชิญครับยกมือครับอ่าพี่เชวัจะไม่ได้พูดพอดีก็กลุ่มบอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องแรงคนแต่มีไหมครับพี่เชวัจะเสนอทางออกเรื่องแรงครับเรื่องกําลังคน Oh. พิชวัตรมีความคิดดีๆจากสื่อจี้ผมฟังแล้วผมก็เออใช่แต่ขอผมพูดก่อนผมพูดสั้นนิดเดียว ค, ค, ค, คือยุทธศาสตร์ครั้งนี้นะคือตอนแรกนี่นะผมก็เมาหมัดนะครับตอนแรกเมาหมัดแต่ตอนนี้เป็นหนุ่มหมัดเมาเลยยุทธศาสตร์หมัดเมาจริงชัดเจนมากตอนหลังนี่นะคือผมอยากให้อันี้แหละที่ขยายออกมาเนี่ยส่งไปสู่สังคมให้สังคมได้เห็นเนะี่ยผมว่าเป็นบุญตามากเลยที่ ที่ครั้งนี้นะที่ว่ายุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ไอ ห, หนุ่มมัดเมาเนี่ยนะนี่แหลคะครแต่คนในสังคมยังเมาหมัดอยู่เยอะเลยนะไปช่วยคนเมาหมัดหน่อยขอบคุณครับถ้าหมัดเมาจริงแค่นี้ทําไปสักพักเมาัดแล <laughs> <laughs> ้วเชิญพิชวัตรครับ <laughs> ทักทักหน่อยครับเป็นเป็นเป็นความคิดอนาคตว่าเราจะมีกองทัพเสริมได้ยังไงครับ <laughs> ผมฟังพิชวัตรเนี่ย ก็เปจอมยุทธคนหนึ่งนะครับพิชวัตพิชวัตรเชิญเติมให้ญาติธรรมด้วยกันนะครับพิช ว, อชวัอ่าพิชวัตรถือว่าร่วมกันครับพิวัตรเชิญหน้าครับไม่เอาผมพูดที่นี่ดีวกว่า น, นะครับสมณะยังอยู่นะพิชวัตรกาลังจะ ก, อก่อ ก, การช่วยพวกเราอีกทางหนึ่งเชิญครับ คือที่ผมแลกเปลี่ยนกับอาจารย์อนเนกนี่คือเรื่องการขาดแคลนแรงงานเนี่ยผมให้อาจารย์เขาสบายใจว่าจริงๆมันก็เป็นมา30ปีแล้วล่ะมันเป็นเรื่องที่พวกเราแต่และช่วงเวลามันก็พูดถึงเรื่องนี้แต่เรื่องแนวทางแก้เนี่ยมันมันยังไม่ได้มีการจัดเป็นระบบ อาจารย์พยายามนำเสนอให้มีการจัดเป็นระบบก็คืออย่างเช่นโรงปุ๋ยเนี่ยนักเรียนสมาสิกากัะโรงงานจะเชื่อมต่อกันอย่างไรชุมชนด้วยอะไรต่ออะไรแต่สิ่งที่ผมได้จากชือจี้เนี่ยเขาเขาไปมากกว่านั้นคือเขาไม่ได้มองเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงชุมชนอยู่ในแวดวง อ่าลงอ่าโรงเรียนสมัชชิกขาอะไรเขาวางไปต่อเชื่อมภายนอกอย่างไรที่จะเอาคนภายนอกมาเป็นแรงงานเสริมให้ฉะนั้นก็จัดเป็นระบบที่ชัดเจนก็คือว่าฐานงานอะไรต่ออะไรเนี่ยคุณจะต้องทำว่าคุณขาดคนมาช่วยงานในเรื่องอะไรบ้างแล้วคุณต้องการคนมาช่วยแต่และช่วงเวลาในกี่คนเช่น ถ้าจะมาบรรจุข้าวคุณก็ต้องจัดให้ได้ว่าคุณจะเริ่มบรรจุข้าวตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงวันที่คุณจะบรรจุข้าวกี่ชั่วโมงแล้วตลอดอาทิตย์คุณจะทํากี่วันจากตรงนั้นเขาก็ไปรประชาสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกและวงกว้างว่าใครจะมาช่วยงานบุญในการบรรจุข้าววันจันทร์จะมีการบรรจุข้าวตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง แล้วพอถึงตรงนั้นคนที่อยากจะมาทำงานบุญเขาจะได้ลา ง, งานมาช่วยถ้าเขาจะลา ง, งานหรือถ้าเขาพักร้อนเขาจะได้เอางั้นพักร้อนเขาพักสามวันเขาก็มาช่วยบ้านราดหนึ่งวันเห็นไมมันจะมีมันจะต้องมีลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาถึงจะต่อได้ตรงนั้นแหละแปลว่าหนึ่งคนภายนอกที่มาบ้านราดนอกจากจะมาดูๆแล้วก็กลับเขาจะได้มาช่วยงานบุญได้ด้วยแต่ของเรานี่มันไม่รู้ไง ใครจะมาทำอะไรก็ต้องมาแอบถามเอาหรือรู้อย่างไรก็ไปทําอะไรมันมันก็เป็นระบบไม่ไม่เป็นระบบแต่ฉือจี้เป็นระบบเลยมีการจองมาล่วงหน้าเลยวันจันทร์น้ำมีนายกมาขอช่วง9ก้าโมงถึงเที่ยงนายขอจะขอบายโมงจนถึงสระสี่โมงพอพอจำนวนต้องการคุณก็ว่าอา้าวคิวนี้เต็มแล้วค่ะขอไปคิววันอังคารได้มครับมันจะบริหารเป็นระบบ แล้วตรงนี้ก็จะผ่านสื่อแหละออกไปถึงคนที่จะติดตามช่วยอะไรก็จะได้มาจะไปบ้านล่าจะไปปฐมจะไปสันติมันก็จะเลือกเอาเลยเห็นไหมมันก็จะเกิดการจัดระบบอันนี้คือเรื่องระบบจิตอาสาตอนนี้ถ้าลองงานมันเป็นใช้งานค่อนข้างหนักแลวหาคนยากมันก็จะเป็นระบบใช้แรงงานมากกับระบบใช้เทคนิคไอ้ น, นี่เขาต้องเรียกว่าระบบ ต้องปล่อยช่วงงานไปเขาเรียกว่าเอาซอสแต่ว่าตอนที่ชือจี้เนี่ยเขาใช้หมดชือจี้ใช้ขนาดว่าถ้าขาดระดับผู้จัดการต้องการผู้จัดการนี้แล้วในวงฐานงานไม่มีเขายอมซื้อตัวซื้อตัวแปลว่าครบคุ้นคนนั้นถึงระดับพอจะทำงานร่วมกันได้แล้วเขาบอกว่าคุณติดเรื่องอะไรซึ่งเราก็ใช้แต่ว่าเราเราใช้เป็นการภายใน้ยไม เราซื้อเฉพาะญาติธรรมของเขาในเขาเลงไปถึงคนที่กั้มกึ่งอยู่ที่จะเข้าใจถือจี้แต่ยังไม่ยอมเข้าอยู่จี้เขาซื้อซื้อเสร็จแล้วคนนั้นก็ทิ้งงานภายนอกเข้ามาแล้วก็ใช้คำนบนธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมถือจี้หรือคําสอนกืนคนนั้นเปลี่ยนมิติทางจิตวิญญาณคนนั้นเมื่อถูกกืนก็เริ่มลดระดับความต้องการส่วนตัวลงๆๆไปเรื่อยๆจากเดือนห้าหมื่นเหลือหมื่นหนึ่ง หรือตอนสุดท้ายไม่เอาเลยก็มีฉะนั้นชือจี้ใช้เวลากืนแต่ของเราเนี่ค่อนข้างที่ว่าเรากำลังงวดในต้องการยริธรรมก่อนหลแต่ว่าถ้าเรายังอยู่ในจุดตรงนี้ต้องการไปถึงเป้าที่พ่อท่านวางไว้ซึ่งว่าข้าวแสนตันเนี่ยถ้าเราเระวังว่าอีกกี่ปีก็ไม่รู้มันก็ไปเรื่อยๆไงแต่ถ้าลองเอาวางลดข้าวแสนตันเราจะาให้ได้ภายในหปีเราอาจจะต้อง จัดระบบรวมอะไรอะไรอีกเยอะใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่าเราจะสู้ขนาดไหนการสู้คือการมุ่งมั่นมุ่งมั่นก็แปลว่าคนที่มีอยู่ทั้งหมดระดมความคิดระดมหาทางวางตัวเองอยู่ตรงไหนก็พัฒนาตัวเองเต็มศักยภาพแล้วก็เกิดเอาคนที่ไม่เคยเข้ามาเอามาเสริมอาณาจักรก็จะขยายวงไปเรื่อยฉะนั้นจิ๋วจี้วันนี้ถึงไปทั่วโลก ขณะที่เรากําลังอยู่ของสมัสิกขาเนี่ยชิจี้เขาไปเป็นหมออะไรแพทย์แล้วอ่ะเขามีโรงพยาบาลเขามีหมออะไรแพทย์เขาไปันก็งเขาไปหนึ่งนะไอ้เ น, นี้ก็คือเราศึกษาเปรียบเทียบแล้วดูว่าเราจะดึงอยู่ไหนไมาใช้ได้พอว่ามีอาจารย์นะผมก็เก่งว่าเดี๋ยวอาจารย์แกนึกว่าเราเพิ่มขาดแคลนแรงงานช่วงนี้ผมก็ยังให้อาจารย์แกมีความสุขอะแล้วผมก็เสนออาจารย์ทางผมจะออกอย่างนี้อย่างนี้อันนี้เป็นความเห็นผมนะ แต่ผมก็ลังคิดว่าถ้าจะเอาพวกเราเป็นระบบในมาจัดกองงานนี้น่ะไม่น่าจะใช่ไม่การเพิ่มพาราไม่ผมคิดว่าญาติธรรมที่อยู่ข้างนอกต้องช่วยกันจัดตรงนี้โดยประสานกับภายในขาดฐานงานอะไรแล้วก็ญาติธรรมที่อยู่ไป น, นอกเมื่อจัดเป็นกองงานนี้ก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็ต่อภายนอกเข้ามามันก็จะเกิดระบบเข้ามาอย่างเช่นว่า วันนี้ถ้าลองผมมาบ้านราดไม่มีการเรียนหนังสือผมก็มาดูๆแล้วผมก็ต้องกลับแล้วถูกไห ม, ไมแต่ว่าถ้าลองมาถึงว่าเอ้าจะช่วยตรงโน้นช่วยนี้เป็นทางการมาเราก็จะเริมม่มตีมังแต่แรกไงจะต้องมาอยู่กี่วันอยู่อะไรอยู่ได้กี่วันอะไรต่ออะไรมันก็จะเกิดได้ ไ, ไอ้วิธีนี้แหละจะเป็นวิธีที่สร้างจิตอาสาแล้วก็ทําให้จิตอาสาของอโศก ไ, ได้ต่อค่ะจิตอาสาที่ไม่ใช่อโศก แล้วจากจิตอาสาด้วยกันเนี่ยมันจะดูดถูกไหมมันก็ดูดดูดจนถึงการเปลี่ยนการปฏิบัติได้มันก็จะขยายไปมิติมันนะมันก็ได้หลายชั้นเราก็ลองคิดดูว่ามันเหมาะไหมถ้าลองเหมาะก็ระดมจากพวกสิทธิ์เก่าที่ทา ง, งานข้างนอกก่อนพวกจบสมริีขาไปอะระดมก่อน คุณควรจะมาช่วยงานวัดได้คุณวางคุณเลยว่าคุณไปทำงานภายนอกคุณกินเงินเดือนเขาคุณมีของคุณพอสมควรแล้วคุณจะช่วยวัดกี่วันเ็นไหมเสร็จแล้วเราก็มีตารางเขาเลยคุณจะเลือกไปที่ไหนไปที่นั่นจะทำอะไรไปที่บ้านราชทำอะไรไปสันติอโศกทำอะไรไปปรถมอโศกอะไรเมื่อเกิดการจัดระบบแล้วก็ติดต่อสัมพันธ์ เขาจะได้คืนสู่ย่าวยอดเข้ามาช่วยงานเสร็จพอควบคุมดูดเขาก็ขาขกลับเห็นไหมแต่ว่าวันนี้มันไม่มีระบบนี้มันมมกําลัง ค, คิดอยู่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจของพิเชวัตรนะครั บ, บว่ารเราจะสร้างย่าริธรรมจิตอาสาเนี่ยจากนอกอาศกเข้ามาช่วยได้อย่างไรจากภาคกรุงเทพภาคเมืองนั้นเป็นโจทย์ที่พิเชวัตรเสนอ ว, ว่าอาจจะต้องเป็นยุคที่อโศกสร้าง ชาวอาโศกจากภายในมา 3-40 ี่ปีแต่วันนี้ถ้าเราจะขยายงานทั้งประเทศเนี่ยเจเครือข่ายยังอยู่ในกระดานนะครับแล้วเขียนรูปโลกนี่แสดงว่าใจคิดถึงคนอื่นเยอะมากก็ท้าทายคือถ้าคนร้อยคนไปได้ไหมครับประมาณเนี้ยไม่ได้เพราะนพิชวัตรเสนอทางออกอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องท้าทายรู้ไหมผมจะบอกทำไมผมเป็นด้วยกับพิชวัตนีตอนทซิปที่ทุกคนเห็นทำไว้ทั้งประเทศเนี่ยแล้วก็ ผมมาโทษ น, นะครับมาร่วมมือกับอาศกด้วยถามว่าผมมีคนเท่าไหร่รู้ไหมครับร้อยคนเองเจ็จังหวัดแล้วทาเงินแบกเงินสี่ห้พันล้านทุกคนดา่าผมยับเยินอย่างนั้นอย่างนี้ทําไปแก้ไปแต่ว่าเราผมมีคนร้อยคนเองผมทําได้ยังไงครับคอทองงแปลว่าคณะทํางานใช้บ้านใครบ้านมันอยากกู้บ้านเมืองไหมตอนนั้นผมยังใช้ทางโลกล่อคนนะครับล่อให้ทุกคนมากู้บ้านกู้เมือง ผมก็ออกปลูกแต่วันนี้เรามีสูงกับผมอีกที่นี่มีอะไรครับบุญนิยมปลูกคนได้ไหมครั บ, รบเพราะทุกคนอยากทําบุญอยู่แล้วบุญใครบุญมันเป็นเรื่บุญรวมหมู่เพื่อความสุขเพื่อสังคมโลกที่พิชวัตรพูดเนี่ยคือเอาบุญมันเป็นตัวเชื่อมเป็นคุณค่าใหญ่เชื่อมทุกคนให้เป็นคณะทํางานวันนี้เราเป็นคณะทำงานเพราะเราเอาสาเพราะอยากทําได้เกิดบุญร่วมกนันเกิดสารโภคีถามว่าเราจะก่อคณะทํางานนอกอาศกได้ไหมครับ ผมยืนยันมาได้แค่ผมล่ อ, อคนให้บอกเฮ้ยวันนี้บ้านเมืองมันลมแค่เศรษฐกิจต้มยำกุ้งผมก็คนหนุ่มๆคนหนึงปลุกคนทั้งประเทศด้วยวิธีการอย่างที่ทำวันนี้นั่งให้ทุกคนลอ่อทุกคนพูดให้ทุกคนทุกคนบันทึกเขิลเองใช่ไหมครับแล้ววันนี้ถ้าเรื่องบุญเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าบ้านกว่าเมืองอีกเพราะว่าเป็นเรื่องที่สูงถึงขั้นลภุตระถามว่าดึงคนได้ไหมครับดึงเงินดึงอะไรได้หมดวันนั้นทุกคนอโศกก็ช่วยกันทําช่วยกันเพราะอาโศกก็เห็นความเดือดร้อนของคนข้างนอกเกิดการทำงาน แต่เขาทำเพราะว่าบ้านเมืองของเขาอะ่ะผมบอกไม่ใช่บ้านเมืองผมและไม่ใช่เงินของผมแต่เจ้าเงินของพวกคุณคุณไม่ทำก็ปล่อยบ้านเมืองตายไปนั้นอั น, นี่ก็ปลุกคนได้ผมยืนยันว่าที่พิชวัฒน์พูดเนี่ยทำได้คนไทยทำมาแล้วตอนสมัยซิปที่เห็นแต่มาเพี้ยนตอนสมัยที่เอาเงินถูกเงินเงินล่อผมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ ง, ข ง, ขงทั้งประเทศได้ใช่ไหมครับทุกคนช่วยกันก่อใช่ไหมครับพอทุกคนทำบ้านกูแขงบ้านกูแขงบ้านกูแข็ ง, ข ง, ขงมันก็เกิดกระบวนการทำให้ทุกคนแข็งขึ้นทั้งประเทศใช่ไหมครับ ก็เกิดสืบเกิดอะไรมันก็เกิดเป็นขบวนการใหญ่ขึ้นมาอันนั้นผมทําแค่คนร้อยคนเองแต่ว่าใช้คุณค่าที่มิชีวะพูดเนี่ยซึ่งสูงคือบุญนิยมเนี่ยไปช่วยให้คนรอบนอกเข้ามาช่วยกันทํางานเป็นคณะทํางานที่อยู่นอกอโศกหนุนเข้ามาเพราะอาโศกต้องการตอนนั้นผมมีคนร้อยคนผมแบกเงินพันพันล้านตายแน่ไม่มีทางเหมือนแบกข้าวสารเมืเ น, นี้ยแสนตันเนี่ยตายแน่ทําไม่กาหนดเป้าผมถูกกาหนดแล้วว่าต้อง4ปีต้อง5้าพันล้านให้หมด เฉนั้นถ้าพอท่านบอกแสนตันจะได้ในเวลากี่ปีเราบอกว่าสิบปีต้องแสนตันเราก็ต้องเล่งตัวเราเราหาเพื่อนให้เยอะอย่างที่พิชวัตรเสนอมันไม่งั้นถ้าทําแค่นี้ผมนั่งนึกจะแสนตันเมื่อไหร่วะเห็นคนหนุ่มก็แค่นี้เองเห็นไหมมันเราก็ดึงกันไปกันมามันมันแล้วที่จริงอยู่ต้องต้องประกบประกงกันที่ราดทานิแต่ถ้าเราคิดจะขยายทั้งประเทศมันต้องคิดถึงแบบพิชวัตร นะครับก็ฝากเชิญครับ อ, อีกัก3นาทีได้ครับ เ, เดี๋ยวผมเกินเวลา w ช i t ผมคิดว่ามันอยู่ที่อโศกจะต้องจัดตั้งระบบให้มันชัดเจนอย่างที่อาจารย์กําลังสอนเราเราต้งจะรับคนข้างนอกเข้ามาได้เป็นระบบเป็นระเบียบทุกวันนี้เราแบบแบบที่อาจารย์เห็น เ, นเขาจะมาตอนไหนมันก็จัดเวลาไม่ได้นะคะก็เ้ พอนัดผมห้าโเอ๊ะนัดผมหกโมงเดี๋ยวเราไปลุยเข้ากันบู๊นี่โศกจริงผมก็เข้าใจเพรออาะสศกได้เห็นไฟที่ไหนปุ๊บไปเลยเห็นไหมนี่เป็นเป็นใช่ครับค่ะก็มาถึงตรงนี้ก็คงจะเอ่อเห็นด้วยกับท่านชัยว่าที่เสนอมาเมื่อกี้นะคะและที่อาจารย์สรุปมาจริงๆแล้วสิ่งทั้งหมดเนี่ยเรากาลังเตรียมการทั้งหมดที่เรากำลังทําในเรื่องของวนวก็คือเรื่องการจัดโครงสร้างภายในให้แข็งแรง เข้าสู่โลกุตระเต็มรูปแบบนะคะและเดียวกันก็ต้องมีองค์กรที่เป็นตัวเชื่อมรอยต่อระหว่างบุญนิยมภายในกับสังคมข้างนอกซึ่งก็จะมีหลากหลายระดับอีกเหมือนกันไอ้ตรงขงบวนการนี้ก็ต้องต้องเกิดขึ้นแน่นอนภายในเร็ววันเมื่อหลังจากที่เราจัดขบวนภายในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้สิ่งที่เรางทําอยู่ก็คือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมโศมในรอบ40ปีที่เพิ่งเกิดในการทําสวัสดิ์อย่างเป็นระบบเป็นองค์รวม เพราะที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่เคยทําแต่เป็นสวัทองค์กรใครองค์กรมันและไม่มีใครพูดถึงภาพรวมของนโยบายโครงสร้างใหญ่แล้วก็สามารถทําความเข้าใจกับทุกเครือข่ายและทุกฐานงานอย่างเป็นระบบอย่างนี้มาก่อนและโดยเฉพาะโดยผู้มีเป็นมืออาชีพอย่างที่อาจารย์ทําอยู่เพราะส่วนใหญ่พวกเราก็จะทํากันเองเพราะก็ต่างคนต่างก็ไปเรียนรู้มีประสบการณ์มาบ้างนะคะแล้วก็มาทํากันดิฉันเข้าใจว่านี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราทํากันอย่างเป็นกิจลักษณะ แล้วก็มีความชัดเจนขึ้นในเนื้อหาการเดินทางเข้าสู่เป้าหมายโลกุตระเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีการเทศโดยพ่อครูและสมณะสิคามาต์แล้วก็ต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างจําต่างคนต่างเข้าใจแล้วก็ต่างคนต่างพูดกันไปโดยไม่มีการเซตระบบอย่างเป็นกิจจักษณะอย่างนี้มาก่อนดิฉันเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะเรื่องนี้มันจึงเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งทั้งหลายแหละที่ทุกท่านเสนอมาทั้งหมดก็จะเข้าเข้าแถวเรียงคิวรอในการที่เดินทางต่อแน่นอนเพราะถ้าเราไปไมถึงตรงนั้นสิ่งที่ สังคมผสมถูกถูกคนภายนอกท้าทายก็คือว่าอาโศกทำได้แต่ทำได้เป็นแบบโอเอซิสคือทำได้แค่คนเฉพาะกลุ่มเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถทำให้คนอื่นทำด้วยได้และรอบนี้ของอาโศกก็กำลังก้าวเคลื่อนผ่านไปตรงจุดที่จะพิสูจน์ให้โลกเห็นได้ว่าเนื้อหาที่อาโศกทำได้แม้เพียงกลุ่มน้อยนิดก็จะสามารถขยายผลเข้าสู่สังคมใหญ่ได้โดยมีความลดหลั่นตามระดับ ฐานะของแต่ละคนไปนะคะอย่างเช่นคนที่อยู่ในฐานศินห้าก็ยังมีสิทธิ์ที่จะมีรายได้ทำมาหากินได้ส่วนคนที่ฐานสินสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, น, นเป็นลําดับและเข้าอยู่ในโครงสร้างชั้นในขององค์กรก็ค่อยๆลดละรายได้ค่าใชา้จ่ายลงเป็นลําดับไอ้นี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นรอยเปลี่ยนผ่านเข้าไปเชื่อมสังคมภายนอกได้อย่างจริงจังและให้เห็นว่าเนื้อหาหลักธรรมเนี่ยมันสามารถพัฒนาเป็นไปตามลําดับขั้นตอนได้จริงน่ค่ะก็คือสิ่งที่อยากจะเรียนให้ทราบ วันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับแต่ผมเพิ่งนึกเนีกว่ากลุ่มนี้เนี่ยส่งสัญญาณอันหนึ่งที่เรื่องเลิกเขาบอกอะไระพวกเรารู้ไหมครับที่ทใช้คํำอะไรนะที่ถูกด่ายับเยะนะิน่ะเรื่องถอแถเพราะฉะนั้นถ้าโศกจะลดตรงนี้ผมพบว่าการปลุกคนนี้ต้องปลูกเรื่องบวกครับปลุกเรื่อยบุญหรือเรื่องบวกเนี่ยเพราะฉะนั้นว่าเรื่องหนึ่งที่เราจะยอมไม่ได้คือเรื่องสมัยผมคือเรื่องการโกงผมนี่ลงจี้ไล่ออก เ, เพราะเรื่องนี้ผมไม่ยอมแต่เรื่องทําไม่ดีถือเป็นการเรียนรู้แต่ไม่ว่ากันแต่เรื่องโกงเรื่องซูสาวผมบอกเอ้ยถ้าเอกเป็นแฟนกันเองไม่รู้จักกันเป็นคนละคนแต่พอมารู้จักเป็นแฟนแล้วมาจีบกันคนละสายงานผมจัดการหมดผมไม่ยอมอยู่เรื่องเดียวนอกนั้นผมยอมหมดเพราะผมลุยไปข้างหน้าครับเรื่องเล็กๆผมไม่เอาเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆก็ลองบอกว่าการถูก วิพาควิจารณ์ปลูกนี่มันทำให้เกิดการทอนกําลังมันพวกเรามีกันน้อยแค่นี้เองผมอยากเสริมกําลังใจมากกว่าจากคนนอกที่มองว่าคนโศกนี่เรียกร้องเป้าหมายสูงเรียกร้องตัวเองก็สูงนั้นถ้าการทอนกําลังทางด้านใจมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยผมก็ปฏิบัติธรรมเพราะผมเป็นคนที่ลุกตลอดเั้นการลุกเนี่ยแต่ถ้าเราเอาเรื่องใหญ่แล้วก็เสริมกําลังใจมันก็จะได้เป้าแต่การลุกที่ต้องมีการเบียดกันแน่แต่ว่าถ้ารด ที่น้องๆเสนอก็คือว่าให้เลิกการอะไรครับอะไรนะครับอ่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความคิดแล้วก็ลดทอนการทําให้ทอ้อแท้กันเองถ้าถ้าผมฟังเนี่ยโอ้โหวันแรกในบัตรคำออกมาเรื่องอารมณ์อ่อนไหวทั้งนั้นเลยเป็นอารมณ์ทอ้อแท้เป็นอารมณ์ซึ่งเพราะอาโศกทํางานด้วยใจมันกองทัพชนะจริงๆไม่ใช่ด้วยอาวุธครับด้วยใจแล้วผมก็เห็นมาว่าผู้คนทั้งประเทศเนี่ยมีใจให้กัน นั้อศกก็ทํายิ่งกว่าผมอกีกเพราะว่าพิสูจน์ได้โดยการที่เร่งตัวเองแล้วก็เร่งขยายงานเนี่ยก็จะทําให้เกิดการเรียกร้องกันเองสูงซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอยากที่น้องๆเสนอนะให้ผมเสนอนะครับคือส่สองสัญญาณว่าให้ลดลงเรื่อยๆเหมือนลดกิเลสนะครับก็ขอบคุณแค่นี้ครับขอบคุณครับ ดิฉันดิฉันข อ, อขออนุ ญ, ญาตเสนอทางสิกรมาตแล้วก็สมณะในการปิดประชุมวันนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นสำหรับทีมปุ๋ยทีมเอ้ ท, ท, ท, ท, ทีมโรงสีทั้งหมดเราคงจะประชุมกันต่อเพื่อเตรียมรับตอบคำถามพรุ่งนี้เช้าขอบคุณค่ะนักประนักรการค่ะสิกมาตแล้วสมณะละคะ นิบนท่านฟ้าไทยนะคะอขอก็อีกตัวหนึ่งคุณเขาก็อีกตัวเฮ้ไม่ไม่อยู่กับใครอีกตัวครับผมมันหายไปตัวนเะมื่อกี้ยังใช่สองตัวอยู่เลยโอเค กลับเขรากับท่านสมนานาเตค่ะเจริญธรรมผู้ทุกคนนะคะค่ะเห็นบรรยากาศที่ผู้เรามาร่วมกันสวัส์แล้วก็รู้สึก อ, อนุโมหนาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะโดยเฉพาะอาจารย์อนเนกนะคะที่มาช่วยถือว่าถือว่ามาช่วยวิกฤตบรรลันนะคะค่ะ <c oughs> แล้วก็แม้จะไม่ได้มาฟังทุกช่วงนะคะก็ติดตามฟังข่าวคราวอยู่ ครับว่าเพื่อเราสวสดกันนี้เรื่องอะไรบ้างเพราะวันนี้พวกเราสวสดหนึ่งก็ต้องไปช่วยกันแก้ปัญหาโรงปุย๋ยเพราะน้ำเริ่มพยใหมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องรีบขนปุ๋ยออกจากโรงปุ๋ยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เกิดความเสียหายนะคะกะ็วันนี้ก็ได้ทราบข่าวว่าพวกเราก็ไปช่วยกแก้ปัญหาที่โรงซีอีกอรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรนะ่าจะอยู่ช่วยกันแก้ให้มันหมดเนอะก่อนที่อาจารย์จะกลับดีไหมคะค่ะ <c oughs> วันนี้ก็จะมีข่าวมาบ่อยแล้วค่ะว่าต้องให้ขอความช่วยช่วยเหลือจากพวกเราให้ช่วยแก้ปัญหาคือน้ําขึ้นเร็วมากถ้าเราเไปที่ลานจอดรถตอนนี้น้ําเริ่มเข้าเยอะแล้วนะเริ่มเป็นสีขาวเยอะแล้วนะคะแล้วก็น้ําเข้าบุ่งเยอะพรุ่งนี้นะคะอยากจะขอแรงพวกเราพี่พ่อผู้ชายที่เคยช่วยงานทางฝ่ายเรือนะคะไม่ต่ํากว่าห้าคนถ้ามากกว่านั้นยิ่งดีไปช่วยกันย้ายเรือแล้วก็สูบน้ำออกจากเรือ จะใช้เวลาทําประมาณสี่ชั่วโมงจะเริ่มเวลาบ่ายโมงนะค ะ, ะท่านใดที่เคยช่วยนะคะหรือวิญยาณมีเคยช่วยอยากจะไปะทดลองอช่วยกันย้ายเรือเรือที่ไหนเรือที่ลานเบึงฟ้านะคะโดยมีท่านแก่นกาสารักรุจะเป็นผู้นํำทํำนะคะนี่คืออยากจะขอความอ ะ, อะไรนะจอมยุทธขอจอมยุทธไปช่วยย้ายเรือช่วยสูบน้ออกจากเรือนะคะ ที่ท้ายบุ่งค่ะแล้วก็ส่วนอื่นๆที่โรงปุ๋ยคือเหมือนกับว่าคือปีนี้น้ําจะมาเร็วมากปกติที่ผ่านมาเดือนกนรกฎาคมน้ําจะยังไม่ค่อยขึ้นนะคะส่วนมากจะท่มตุลาคมปลายกันยาตุลาแต่ปีนี้น้ำมาเร็วเพราะฉะนั้นคือกอ็คิดว่าช่วงนี้คงต้องต้องช่วยกันหลายอย่างนะอย่าง Are รนะเรือเรือเล็กที่เอามาไว้ที่เหือนเปิ้นเสี่ยวก็ยังรอร อ, รอพวกเราไปแก้ปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าคือต้องไปเชื่อกันยาเรือ นะคุณยิ่ยงยิก็มาแล้วหลวงตาก็พร้อมบอกจะมาเมื่อไหร่ทําอยู่เรื่อยนะคะหลวงตาเมื่อไหร่คนคุณจะพร้อมหมดตอนนี้กลำ ล, ะะลังทำสวอตอยู่ค่ะหลวงตานะขอให้หลังทําสวอตเสร็จแล้วก็จะไปช่วยหลวงตาเพราะว่าคือหลวงตาคอยอยู่นะก็บอกคอเวลา3มวันหลวงตาจะไปช่วยนะคะค่ะก็ะอนุโมทนาทุกท่านนาที่มาช่วยกันระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาบารรดาในครั้งนี้ค่ะอนุโมทนาสาธุทุกท่านค่ะ กล่าวในพีกา ร, รท่านสมนาัมาคัมทาท่านสมนาัมาสัพพุทเจริญธรรมค่ะนิสิตทุกๆคนค่ะค่ะท่านอาจารย์ด้วยนะคะค่ะก็วันนี้หนึ่งฟ้านี่จะเรียกอะไร ด, ได็อกเตอร์ได้ยังได้แล้วใช่ไหมด็อกเตอร์หนึ่งฟ้านะคะถามนะขึ้นรถไปถามว่าสิ่งว่าสนุกไหมบรรยากาศสนุกไหมที่จะมา <laughs> <laughs> เห็นพวกเรามาร่วมแก้ปัญหาอย่างเงี้ยนะคะสนุกไหม เแต่ก็ถามว่าสนุกไหมก็ถ้าพูดแบบธรรมดาก็น่าจะสนุกนะพวกเราเห็นบรรยากาศพวกเราสนุกอนะ่ะแต่สิแต่ในความรู้สึกจริงๆของสิ่งว่ารู้สึกอบอุ่นใจมากกว่านะคะเห็นพวกเรามารวมกันอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นพลังมันมีความอบอุ่นใจนะคะว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีคนใช่ไหมคะที่ที่ทีเ่เห็นออกมาพูดกันนะคะ เราให้ความสําคัญกับคนที่ใดมีคนน่ะที่นั้นน่ะมันก็จะเกิดการทั้งพัฒนาทั้งแก้ปัญหาทั้งหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะแม้แต่การสร้างวัฒนธรรมมันก็จะเกิดขึ้นนะคะก็ก็คิดว่ามันเป็นความอบอุ่นใจนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้น้ําจะมาแล้วใช่ไหมอ่าปกติก็ต้องหนาวใช่ไหมเออแต่ตอนนี้ก็ยังอุ่นอยู่นะเพราะว่ามันมาแบบเนี่ยวิกฤตของบ้านลาดเนี่ยถ้าจะบอกว่าคนบ้านลาดสร้างไม่ใช่นะ มันหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาเองอะนะคะแม้แต่ธรรมชาติก็จะเป็นอย่างเนี้ยนะโดยที่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้คาดคิดหรือว่าเราไม่สามารถที่จะห้ามกั้นมันได้นะมันต้องรับมือนะแล้วก็แม้แต่บุญนะมันก็มาอย่างเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคือทั้งข้าวทั้งอะไรเนี่ยคือมันมาโดยที่เรียกว่ามันต้องมาลงที่บ้านลาดนี่แหละหมดเลยนะ โครงการอะไรต่างๆนี้ข้าวแสนตันมันก็ต้องเกิดที่บ้านราชนี่เพราะบ้านราชอะไรอะไรประมาณนี้นะคะแล้วปุ๋ยอีกเนี่ยนะโอ้ได้ยินว่าทั้งโครงการไฟไหนทั้งทกศทั้งอะไรเนี่ยเขาก็จะนโยบายมันก็จะขานรับกันหมดเลยกลายเป็นว่ามันเราเนี่ยมันมันไม่ได้สร้างน้ํะมันมานะวิกฤต์น่ะวิกฤตมันเป็นโอกาสนะเอามันไม่ใช่วิกฤติที่จะที่จะเกิดการไม่ดีนะวิกฤติที่จะเป็นโอกาสที่จะให้พวกเราได้ทําบุญน่ะ นะตอนนี้คนบัณรารก็คงไม่พอนะที่จะเอาบุญอันนี้นะบุญมันเยอะแล้วไงแล้วพวกเราก็มาร่วมกันเอาบุญนะมาร่วมกันเอาบุญมาร่วมกันแก้ปัญหาเนี่ยที่บุญจะมาเยอะๆเนี่ยมาช่วยกันแบกกันหามาช่วยกันเอานะคะเพราะว่าหลายๆอย่างไม่ว่าจะการค้าอะไรต่างๆมันมันมันดีขึ้นไปหมดเลยอ่ะประชาชนเขาเขามาที่เราเพราะว่ามันของถูกไงตอนนี้ของทางนอกมันแพงหมดเลยมันก็เลยมามันมาลงที่เราอ่ะ เมื่อกี้ที่ฟังกลุ่มสามใช่ไหมโอบอกว่าที่ต้องการเงินมากเออน่าจะฟังให้เดูอยู่ดินดานก่อนนีดนนิดนึ ง, นงคงคงอาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งหรือเปล่านะคะที่ว่าเอออาจจะมีบ้างนะบางคนที่เขาทํางานเขาอาจจะต้องการยอดนะนะแต่จริงๆแล้วนะเป้าหมายในการทํางานไม่ใช่อย่างนั้นส่วนใหญ่ก็ก็คือเพื่อการเผยแทร่นะคะเพื่อช่วยประชาชนส่วนใหญ่นะคะก็ก็คิดว่า แหละออกออกมากคือกิจการเรามีผลเจริญมากก็คือได้ช่วยคนมากนะคะจริงๆแล้วไม่มีใครพวกเราได้เงินหรอกนะก็ศูนย์บาททุกคนนะคะค่ะก็นะ่าจะเป็น เ, เรื่องที่น่าภูมิใจนะคะที่กิจการเราเจริญรุ่งเรืองนะะแล้วก็พวกเราที่เข้ามาก็คือได้มาร่วมกันทำให้าศาสนานี้รุ่งเรืองทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากสิ่งที่เราได้ การเกิดขึ้นนะคะค่ะก็คิดว่าทุกคนที่มาก็คงจะได้มีกำลังใจที่ดีได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลนะคะอ่าเจริญธรรมค่ะอ่าเจริญธรรมอาจารย์ันเอกแล้วก็นิสิตทุกคนอาคุณชัยวัดด้วยปะ <laughs> ไปเชื่อจี้ด้วยกันชัยวัตรนะ่ ก็อยากมาฟังอยู่แหละแต่ว่าต้องไปแก้ปัญหาลงปุย๋ย่าวันลับปากกับป้ามิ่งหมายว่าต้องมาเที่ยวโทรศัพท์กับเขาบอกออหลวงพ่อตอนนี้ที่ลงปุ๋ยมีคนกอบปุ๋ยนะก็จะมาเอาแล้วตอนนี้ประมาณสักสองพันกระสอบนะอะไรอย่างนี้นนะมาเป็นกรรมกรลงปุย๋ยประจำอย่างนั้นคือตำแหน่งตำแหน่งที่ได้ไงคือบวชมานานก็ได้เป็นกรรมกรนะถือว่า นะเป็นตำแหน่งกัรทรงเกียรติของชีวิตใช่ไหมคนเขาอยากเป็นอะไรเป็นผู้บุวยการเป็นน่้นเป็นนี่เป็นอะไรนะ่นะเป็นผู้บริหารเนี่ยมันใช้สมองเยอะเป็นกรรมกรนะสบายนะได้ใช้แรงออกแรงก็สนุกสนานมีเพื่อนเยอะนะเป็นกรรมกรอ่ะนะถ้านะผู้รหารเนี่เพื่อนมันค่อยเยอะและกว้าเวนะแล้วก็โดดเดี่ยวหนาวผู้บริหารนั่นหนาวนะ แต่เป็นกรรมกรนะ์ก็เพื่อนเยอะสนุกสนานนะมีทั้งเด็กทั้งเล็กทั้งนูนทั้งนี่นะมีความสุขนะก็เป็นการแก้ปัญหาของสังคมเพราะว่าถ้าเาจมาเป็นสมนาชีนี่ไปทํางานกรรมกรคือประชาชนเขาก็จะเห็นเองนะคือเราเป็นฝ่ายบริหารเราไปอยู่ตรงนั้นเมื่ออยู่ตรงนั้นประชาชนเขาก็จะไปเองนะโดยธรรมชาติของการทํางานบะริหารจัดการนะคือบริหารไม่ใช่หมายความว่าเราก็คิดอย่างเดียว แต่เราก็ลงไปทําด้วยนะไปออกแรงด้วยนะไปช่วยเรลืประชาชนเห็นความทุกข์ของประชาชนนะจะ้วก็ช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้เราก็จะเห็นการแก้ไขปัญหาของสังคมงานของชาวอาสอโซกเนี่ยเป็นไปนงานจนโดยเพาะราฐนาไอโซกเนี่ยเป็นงานของพระโพธิสัตว์โดยตรงนะต้องมาไปทํางานนี่คือถ้าไม่ต้องคิดหลักพ่อครูคิดล่วงหน้านะ ไยอะแยะมากมายแม้แต่งานวอร์ดาบอลนี่ก็ไม่ได้คิดแต่มาไปประชุมกันหนึ่งฟ้าแต่มาก็เด๋อเด๋อเข้าไปอําเรื่องอะไรเนี่ยไปนู่นไปนี่จะเกิดมหาอะยรแต่มามหาอะไรไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะไม่เห็นนั่งแบบไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็เกิดเกิดเกิดเกิดมาแบบทุกคนก็ไม่ได้ตั้งตัวเหมือนวอดบออย่างเงี้ยแต่มาไปช่วยน้ําท่วมพรอครูเราก็ถกกับเรื่องน้ําท่วมห้องถกเถียงกันหน้าดําหน้าแดงพรอครูว่าพูดเรื่อง วบวบโอ้โหเป็นครูเป็นแแล้วคนเรื่องกับเราเลยอ้มาคนละรายการนั้นเนี่ยนะท่านก็พูดเรื่องท่านอ่ะเราก็พูดเรื่องเรานีไปคนละเรื่องเสร็จจากงานน้ําท่วมพวกตะบากตะบารับงานอ่ะไหนไหนบวบของพ่อครูเป็นยังไงเป็นไงเขาบบปุ๊บปุ๊เราก็ทํางานตามตามหน้าที่นะคือเป็นงานของศาสนาเป็นงานโพยมาฝึกฝึกงานรับใช้โพธิสัตว์แล้วก็ฝึกตัวเองให้เป็นอริยชนเพิ่มขึ้น แต่มาก็ทําแค่2ประเด็นตรงนี้แหละคือลดกิเลสของตัวเองแล้วก็รับใช้นะพ่อครูไปรับใช้ชาวอาโศกไปทําหน้าที่ของตัวเองนะไปตามนั้นเท่าที่ตัวเองจะทําได้นะคือก็ทําแค่นี้แหละนะงานก็ไม่ยากหรอกงานอาโศมมีเยอะมากนะตรงไหนก็เป็นงานการที่ทําไปให้เขาให้เหมาะสมที่ไปทําอะไรก็ไปนะเอาเวลาไปลงปุ๋ยก็บอกเอาไปก อ, อกปุ๋ยก็ไปอตอนนี้ท่านหยุดก อ, อกปุ๋ยได้ท่านไป ไปเอาปุ๋ยลงนะตอนนี้ท่านไปเค้นปุ๋ยนียก็ไปตามเขาแหละนะตอนนี้เอาปุ๋ยขึ้นนะหือว่าตอนนี้ท่านต้องมาฟังเนี่ยเสร็จแล้วท่าเนี่ยเสร็จงานเลือกเกือบหกวงยี่อรหกวงขึ้นท่านต้องรีบมานะ อ, าอ่าบน้ำํำเสร็จรีบ ร, บรบปลื้มมาที่นี่ะอะไรเงี้ยนะเสื้อผ้าก็มีแห้งอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นอย่างนั้นแหละตามไปแล้วก็ดูว่าอะไรที่เหมาะสมแล้วก็ไปเรียนรู้เพียงแต่ใจเราก็ลดความเป็นตัวของเราเองไป คือความหมดกิเลสได้คือความไม่มีตัวขงตัวเองนะก็คือลดความเป็นตัวขงตัวเองทิฏิมันไม่เที่ยงสังคมอะไรไม่เที่ยงบระลาดเนี่ยปัญหาที่มันจะแก้ได้ไหมสุดคือน้ำมันท่วมเนี่ยปัญหาก็ะหายหมดทุกอย่างนะคนก็นหนีหมดนะไปขึ้นบนตึกบ้างไปอยู่นูนมากปัญหาไม่มีเลยสบายมากเลยเงียบดีจริงๆเลยมีปัญหาแต่ขโมยจะมาลักของคนก็ทิ้งบ้านหมดแล้วไปหมดนะไปนู่นไปนี่เรือมีมันก็ไปอยู่ตรงนี้บ้างไปอยู่อุทยานบ้างใช่ไหม อะไรไร้สาะเนี่ยมันก็ธรรมชาติมก็ช่วยแก้ปัญหานะนะอะไรไร้สาะนี้หรือว่าชาวราธานีโอโศกเนี่ยเอาบอกน้ําท่วมไปปุ๊บไปทิ้งบ้านตัวเองบ้านตัวเองกับน้ําท่วมไม่แก้ปัญหาบ้านตัวเองนะไปแก้ปัญหากรุงเทพมหานครนะทางนี้ใครใครอยู่ก็ช่วยเก็บของที่บ้านด้วยนะฉันไปช่วยที่ที่กรุงเทพแล้วอะไรอย่างนี้นะนก็ช่วยกันอย่างนี้แนหะในเมื่อการชุมนุมกันแล้วแต่แต่แต่ตมาว่าการสัมมนาที่ทําเนี่ยเตี้กสวอตใช่ไหม แต่มาบอกมันแปลว่าอะไรสวอตเนี่ยนะเพราะมาเคยไปแต่ชาวโศกกคือสัมปนาเคยไปไ ท, ยที่สัตหีบแต่มาก็นั้นสัมปนาชาวโศกทั้งหมดที่จะเขาไดปรับปรุงแก้ไขปีอะไรแต่มาก็จําไม่ได้ละนะไปชาวโศกทุกทุกพุทธานนะไปสัมปนาที่สัตหีบนะที่นั่นทำกันสามวันหรือสี่วันไม่ทราบนะก็ทำกันอยู่จนะเป็นโครงการ ท, ท่ า, ร า, ร า, านี้ทําเฉพาะราชเนีโศกเป็นการศึกษาแต่มาก็ว่าดีนะ ก็อยากให้ชาวสกเนี่ยหลายอย่างเนี่ยแต่มาอยากให้เป็นวิชาการเช่นเกษตรกรรมเนี่ยอยากให้เป็นวิชาการว่าคุณใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ออกผลผลิตยังไงทํายังไงเก็บข้อมูลเท่าไหร่เขาก็ช่างกีโดเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นสิทธิ์นะคือให้มีสิติมีข้อมูลมีหลักฐานมีการยืนยันที่ชัดเจนพูดแล้วก็เฮ้ยไอ้นี่มันงามอะไรมันเป็นยังไงมันก็พูดแบบเหล่าๆใช่ไหมมันไม่มีหลักฐานใ ด, ช, ดชัดเจนว่าดําเนินการยังไงบ้างแต่มาว่าถ้าเราทําการศึกษาแล้วมีหลักฐานชัดเจนเนี่ย มันจะเป็นสากลมันจะไม่แบบแบบ ส, สายศาสตร์ไงคือมีรูปรอยมาแต่ว่าต้นเหตุกลางปลายต้นน้ํากลางน้ําไม่รู้ตรงไหนมีแต่ปลายน้ำนะเออผลเป็นไงผลนเนี้ยเนี้ยลเบิ่มเทิ่มเลยและแกใส่อะไรบ้างยังไงเนี่ยฉันก็ใส่อย่างนั้นก็เนี่ยฉันปลูกมาแหละมันลูกใหญ่ขนาดนี้แหละคือต้นน้ํากลางน้ำปลายนะ้ำมันทิ้งหมดไงมันมีแต่ผลมาว่ากินเสร็จแล้วก็หายไปเสร็จลืมอีกว่าปลูกเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่มันก็ไม่มีสิติไม่มีข้อมูล ที่ก็หายไปเนี่ยเพราะาเราก็ไม่อยากเก็บข้อมูลเราจะสู้คนจีนไม่ได้เราจะสู้พอไพวกฝรั่งอะไรมันที่จะเก็บข้อมูลเก็บสิติอะไรเนี่ยเขาก็จะทํางเงี้ยแล้วเป็นข้อมูลที่ชัดเจนซึ่ง ช, ชาวอส่งเนี่ยมีผลงานมากทํางานเยอะนะแต่ข้อมูลสิติเนี่ยน้อยนะซึ่งพวกครูเนี่ยพยายามจะเรียนรู้เรื่องสติแล้วก็ถามพวกเราบ่อยๆนะที่ทําสิตินี้นะเราละก็ถือว่านะต้องขอขอบคุณนะที่มาช่วยกันนะ แต่พ่ออาจารย์เนี่ยได้เสยสละมาช่วยพทัตมาเนี่ยโอ้ดีมากเลยไม่จ้างนะสบายมากใช่ไหมแล้วก็ชาวโสมทั้งหลายเนี่ยแต่ละบูษฐานเนี่ยหน้าต่างูุ้ษฐานมานันโอ้ดีจังเลยนะน่าจะมามากกว่านี้เนี่ยมันเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าคืออาตมาว่าถ้าชาวโสมมาอยู่เป็นปึกแผ่นนั่นเปะ๊ะมีริสสูงขยับตัวปุ๊บเป็นเรื่องเลยทันทีคนเข้าเกรงใจ โลกีก็เก่งใจบอกบรลลาดขยับตัวเนี่ยเขาต้องหันมามองเลยเฮ้ยมันไปไหนวันเนี่ยนะเป็นลนักษณะนั้นถ้าเราไปเป็นพันคนหลายพันคนเนี่ยพันคนของเราเป็นเหมือนหมื่นคนแสนคนน่ะมันไม่ใช่ธรรมดามีฤท ธ, ธานุภาพมากนะก็ทํากันไปตั้งใจทําให้ดีให้เป็นหลักเป็นฐานเป็นเกณฑ์ทําแล้วก็อย่าลืมละ่ะนะไม่ใช่เสร็จแล้วก็เหนื่อยพน้ําท่วมเอ้ยเอกสารหายไปไหนว่าจมน้ำแล้วอะไรเนี่ยก็เก็บให้เรียบร้อยนะแล้วก็ทําไปได้ดี ขอบคุณทุกคนเจริญทรรง